เรื่องกรรมนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยเนาะใครไม่ทำกรรมบ้างคะนี่เราจมาพูดยังทำกรรมอยู่เลยเนี่ยขนาดนี้อ่ะขนะนี้มีเจตนาถ้ามีเจตนาที่กล่าวออกมาก็เป็นวัจจิกำรรวัจจีกรรมเหล่านี้มีผลไหมเจตนาที่ทำให้เกิดการพูดนี้มีผลไหมมีมีผลอย่างไรมีผลยังไงให้ผลเมื่อไหร่ตามสูตรเลยตามสูตรก่อนหน ในคำพูดหนึ่งคำปั๊บเนี่ยชาวนะใช่ไหมทําให้เกิดหนึ่งคำพูดเนี่ยในแต่ละคําที่พูดออกไปเนี่ยชาวนะดวงที่หนึ่งชาตินี้ถ้าพูดเป็นบุญนะโอ้แกลไปเนี่ยสบายแนย่กุศลนิบักิเพราะขณะนี้เจตนาเป็นสมมตินนะพูดด้วยกุศลเจตนานะชาวนะดวงที่หนึ่งให้ผลเป็นสุขแต่เป็นทิฏฐธรรมแปลตรงๆว่าให้ผลในชาตินี้ดวงที่เจ็ดให้ผลในชาติ น่าโอ้แกรรมอันนี้ให้ผลเนี่ยไปดีแน่ไปสุขติอย่างกระจอกที่สุดกลับมาเป็นมนุษย์คืนต่อไปดวงที่สองถึงดวงที่หกเป็นอประปราปริยะเวทนียกรรมให้ผลในชาติที่ที่สามเป็นต้นไปเป็นอโหสิได้ไหมกรรมอันนี้เป็นอโหสิกรรมไหมถ้าเป็นพระอารหันตปรินิพานจึงจะเป็นอโหสิกรรมแล้ววันหนึ่งเนี่ยพูดอย่างงี้กี่คํา พูดเยอะไหมแล้วสะสมชาวนะเท่าไหร่อคันนี้ทีนี้ต้องมาดูสะสมมากๆคําพูดแต่ละคําแต่ละคําแต่ละคําที่พูดออกไปเนี่ยเป็นชาวนะเจตนาที่ทําให้เกิดคําพูดเนี่ยเป็นชาวนะเพราะว่าทวิปัญจารไม่พูดใช่ไหมไม่พูดสัมปติชนะก็ไม่พูดสันติรณะก็ไม่พูดผวังก็ไม่พูดชาวนะเท่านั้นแหละพูดชาวนะที่ทําให้พูดของเรามียี่สิบประเภท แต่นี้เราเอาเฉพาะกุศลก่นนอนนะอกุศลละไว้ในฐานที่เข้าใจกันทีนี้เรามาดูว่าในชาวนะเนี่ยแบ่งการให้ผลกรรมไปอย่างนั้นแล้วต่อไปอีกว่ากรรมอันี้เป็นคาุกรรมไหมเป็นไหมหนักไหมไม่หนักนะไม่เป็นคาุกรรมเพราะว่าขณะพูดชาณจิตไม่เกิดไม่ใช่ชาณจิตมันไม่ใช่คาุกรรมฝ่ายดีก็ไม่ใช่คารุกรรมฝ่ายชั่วเพราะไม่ได้พูด สั่งให้เข้าไปฆ่าพ่อฆ่ า, าแม่ฆ่าพระ อ, อรหันต์ไม่มีผู้ทําให้สังกเภทแตกแยกกันไม่มีผู้ทําให้คนไปทําให้พระโลหิตพ่อก็ไม่มีเพราะฉะนั้นกรรมอ น, นี้จึงไม่เป็นครุก่าแล้วมาพูดอย่างนี้บ่อยไหมบ่อยพอสมอกวรตนะั้งปีนี้มาพูดตรงนี้หลายชั่วโมงแล้วนะอย่างหลายเดือนแล้วเมื่อเช้าไปนั่งนับพฤทภพามิถุนากัลลกัดากัญญาเซิงหากัญญาโอ้โหหลายเดือนแล้วเนี่ย ยาวที่สุดเท่าที่เคยทำมาโอ้เป็นอาจินนกรรมนะเนี่ยโอตั้ง น, นนะอนแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอาจินนกรรมใช่ไหยอาจินนกรรมเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาพูดช่วงจังหวะใกล้ตายว่ากรรมที่จะให้ผลนั้นก็คารุกรรมมีหรือเปล่าถ้าคารุกรรมไม่มีเป็นอะไรก็จะเป็นอาสัรนกรรมอาสัรนกรรมเนี่ยใกล้ตายทำอะไรอยู่ พูดยากอีกนานเกินกว่าจะตายแต่ถ้าตายตอนนี้ไปดีแน่เพราะขณะนี้ทํากุศลอยู่ใช่ไหมถ้าอาสันนกรรมตรงนี้นะกรรมที่กำลังพูดนี่แหละให้ผลนําเกิดแต่แล้วถ้าอาสันนกรรมไม่มีอาจินนกรรมจะให้ผลกรรมที่ทําเป็นปกติอัธยาศัยคล้ายๆก็ว่าใครพูดคําไหนมากที่สุดคํานั้นจะให้ผลก่อนคล้ายๆแบบนี้นะอ่าสมมุติสมมุติใครไปมีวจีกกรรมกายกรรมอะไรมากๆอ่ะอันนั้นจะให้ผลก่อน เพราะถ้าไม่มีอาสัญกรรมถ้าอาจินกรรมไม่ให้ผลกระตัดตาวาปน ก, กรรมกรรมที่ทําไว้ที่เรียกว่าอัปราปริยะเวทนิยกรรมเนี่ยอกรรมที่ชาวนะสองถึงหกเนี่ยในอดีตชาติที่เคยทําไว้แล้วเนี่ยแม้แต่แสนโกดกับเขาก็เขาก็จะเล่นงานเราเหมือนกันถ้าไม่มีคารุกรรมไม่มีอาสัญกรรมไม่มีอาจินกรรมในชาตินี้ให้ผลอข้อความในลักขณะสูตรเนาะทีคณิกายปาติกวัตร พูดถึงลักษณะของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่ามหาปริศลักษณะที่ว่าเป็นคนที่งามที่สุดเนี่ยก็มาจากกรรมกรรมที่ทำให้งามขนาดนั้นก็ไม่ใช่กรรมอันเดียวด้วยกรรมแต่ละอย่างมาแต่งผิวบ้างกรรมบางอย่างมาแต่งขนกรรมบางอย่างมาแต่งเส้นผมกรรมบางอย่างมาแต่งพระอุณาโลมขนระหว่างคิ้วกรรมบางอย่างมาแต่งตากรรมบางอย่างมาแต่งคาพูดแต่งเสียง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 มีกรรมเป็นบริขารของตัญหามันก็แต่งให้มีรูปร่างกายต่างๆเราก็เคยได้ยินกันบ่อยนะขันห้าเป็นที่ดูบุญและบาปเป็นที่ดูผลบุญผลบาปและดูการทำบุญทำบาปในชีวิตนี้ด้วยเป็นตราบุญตราบาปที่ผ่านมาจากชาติที่แล้วด้วยและก็ขันห้าในขณะนี้นี่แหละเป็นสิ่งที่เขากาลังทาอยู่ก็เป็นกรรมใหม่ด้วยเป็นที่ดูบุญดูบาปดูกรรมและดูผลของกรรม ถามว่าการพิจารณาเรื่องกรรมเป็นวิปัสนาไหมเห็นไหมความรู้ในเรื่องกรรมนีสมบูรณ์อยู่ที่ไหนความรู้เรื่องกรรมนี้สมบูรณ์อยู่ที่ไหนอยู่ที่ปัจจยะปริคหายานวิปัสสกะบุคคลบุคคลผู้เจริญวิปัสนาจะมีความสมบูรณ์ในเรื่องกรรมเมื่อได้ปัจจยะปริคหายานก็บอกโอ้ยฉันจะไม่รู้หรอกเรื่องกรรมฉันจะเอาแต่นามรูปอย่างเดียว นามรูปนั้นนามบางอย่างเป็นกรรมนามบางอย่างเป็นผลของกรรมรูปบางอย่างเป็นผลของกรรมแต่รูปไม่มีกรรมมีแต่ผลของกรรมนะรูปมีเจตนามไหมไม่มีเมื่อไม่มีเจตนารูปจึงเป็นผลของกรรมรูปที่เป็นผลของกรรมเฉพาะกรรมไมชรูปเฉพาะกรรมช่รูปเท่านั้นที่เป็นผลของกรรมกรรมมชรูปนั้น ในร่างกายของเรานี่ที่ไม่เป็นกรรมชะลุกคืออะไรบ้างลมหายใจเข้าออกไม่ใช่กรรมชะลุกสุดทัพสุดทเนี่ยไม่ใช่กรรมชะลุกแล้วอะไรอาหารใหม่อาหารเก่านะก็ไม่ใช่กรรมชรูปแล้วเส้นผมที่พ้นหนังศีรษะมาแล้วก็ไม่ใช่กรรมชะลุกผิวหนังที่ตายก็ไม่ใช่กรรมชรูปกเล็บที่ยื่นออกมาพ้นตัดไม่เจ็บก็ไม่ใช่กรรมชะลุกสิ่งเหล่านั้นเป็น อุตุชร e ุปน้ำตาก็ไม่ใช่กรรมชรุปน้ำตาเป็นจิตตชรูปเป็นอุตุชรูปเพืนทอนอ่ะอย่างงี้นี่เขาเรียกว่าเป็นอุตุชรูปนะสมมุติว่าเส้นผมที่ออกมานอกนอกนอกผิวหนังละเส้นผมเหล่านี้เป็นอุตุชรุปอุตุชรูปเหล่านี้เป็นหนึ่งเป็นอุตุที่กรรมะปัจจะยะอุตุชรุปอ่ามาจากกรรมที่แตกต่างกันเส้นผมเลยต่างกันเลยของธรรมาไม่ผมยังไม่งอกเลยวันนี้ เป็นโกนไปหยกย ก, ยกแต่ส่วนที่อยู่ข้างในนั้นอ่ะเป็นกรรมมาชลบันนี้มันจะค่อยๆงอกออกมานะทําไมเส้นผมเราไม่เหมือนคนอื่นเลยอันนี้เรียกว่ากรรมมะปัจจยาอุตุเป็นอุตุที่มาจากกรรมที่แตกต่างกาันเอางี้ก่อนนะในเส้นผมมีกี่รูปมีเท่าไหร่ <40 4. S 1> โอ็เห็นยกมือเลยยกไม่ครบสี่สิบสี่แน่นะนับเป็นข้อๆเอาอ่าสี่สิบสี่รูปนะหนึ่งกายทศกะ สองภาวะทัศกาสามสามสามจิตตะอวินิโพค ร, รูปอวินิโพครรปที่มีจิตเป็นสมุทฐานอาหารอาวินิโพค ร, รูปและอุตูอวินิโพคุรุรในเส้นผมนั่นะทีนี้พอไออุตูชรูปในนี้เนี่ยในในรูปทั้งห้ากราบหรือห้ากลุ่มเนี่ยแบ่งแ ย, แยกแล้วเนี่ยมีอยู่ห้ากลุ่มห้ากลาบในแต่ละกราบมีเตโชธาตุอยู่ในนั้นด้วย เตโชธาตที่อยู่ในนั้นเนี่ยพอถึงทิฏิขณะปุ๊บจะทําให้รูปเกิดขึ้นหนึ่งรูปเรียกว่านะถ้ามาจากกรรมก็เป็นกรรมะปัจจะยอุตุชรุปนะถ้ามาจา ก, กจิตเรียกว่าจิตตปัจจะยอุตุชรุปถ้ามาจากอาหารเรียกว่าอาหารปัจจะยอุตุชรุปถ้ามาจากอุตูเรียกว่าอุตุปัจจะยะอุตุชรุปอุตุชรุปมีสี่อย่างทีนี้นี้พูดโดยอุตุนะที่มาจากเตโช ทีนี้อาหารยังมีมาอีกนะไอโอชามันก็ยังทํารูปอีกข้อความในสัมมสาาัญาณคำพีวิสุทธิมักกล่าวถึงการแบ่งรูปอย่างนี้ไว้เลยเมื่อก่อนเนี่ยเรามาคิดดูมันจะเป็นไปได้ยังไงใครจะมาคิดละเอียดอย่างนี้แต่สังเกตดูถ้าเราโกนผมเนี่ยนะอาศัยเวลาโกนผมเนี่ยทำให้ได้คิดเรื่องนี้เออทําให้คิดเรื่องนี้คําสอนเหล่านี้จะเข้ามาเลยโอ้มันเป็นอย่างลักษณะนี้เองนะมันสามารถที่เราจะตรึกตามได้ คำสอนสามารถที่จะตรึกให้เห็นตามได้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่า อ, อุตตูชรูปเหล่านี้ที่ผ่านพ้นมาพ้นหนังที่ดาปั๊บพอโกนดังแค่ๆก็เส้นผมมันไม่เจ็บเลยเพราะมันเป็นแค่อุตตูชรูปแต่ถ้าเป็นกรรมมัชรูปที่รากเส้นผมถ้าใครมาถอนปัก๊กแต่เจ็บเพราะตรงนั้นมีกายะประสาทะอยู่ด้วยในส่วนตรงที่เจ็บเพราะนั้นรูปอันนี้เนี่ยผู้ที่พิจารณาอย่างนี้อย่างน้อยที่สุดนะถ้ากรรมมัชตาไม่เกิด ความรู้ในพระพุทธศาสนาไม่มีทางเลยถ้าจะเอาวิชาการทั่วไปนะทางโลกเก่งกว่านะเขาสามารถปลูกผมได้แล้วเขาสามารถปลูกผมใครผมน้อยๆหน่อยเนี่ยปลูกให้มันงามๆได้เขาว่าจนสัมผัสไม่รู้เลยว่าปลอมหรือแท้เขาโฆษณ า, ายอย่างนั้นแหละเพราะในนั้นเนี่ยเขาสามารถตกแต่งทําได้หมดเลยแต่ทําไมเขาไม่บรรลุปเป็นพระริยเจ้าทั้งๆที่รู้ทฤษฎีการเกลืนเติตบโตของเส้นผมหมดเลย เพราะเขาไม่มีกรรมสกตาเพราะไม่มีกรรมสกตาพอไม่มีกรรมสกตาปับ๊บสิ่งเหล่านั้นก็เป็นที่อาศัยของอภิชาและโทมนั์อาศัยโอถ้าเรามีความรู้เรื่องนี้นะเราจะได้รับสตังอย่างนี้อย่างนี้ก็อาศัยวิชาการความรู้เหล่านี้การประกอบเหล่านี้เป็นที่อาศัยเกิดของอภิชาอาภิชาก็หมายความว่าความปรารถนาต่างๆเหล่านี้ ฐานความรู้ในผู้ศาสนาก็สอนเรื่องตรงนั้นนั่นแหละแต่จะมีความรู้เพิ่มขึ้นมาใหม่คือกรรมสกตาเข้ามาด้วยเมื่อมีกรรมสกตาอย่างนี้เข้าว่าเออเส้นผมเนี่ยเหล่านี้ก็มาจากกรรมนะส่วนหนึ่งถ้ามีความรู้อันนี้เสร็จแล้วผมเนี่ยเกี่ยวข้องกับจิตอย่างไรผมเกี่ยวข้องกับจิตไหมเกี่ยวข้องกับจิตนั้นในเส้นผมตรงที่มีกายประสาธะตรงนั้นเป็นที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณ ในส่วนที่มีเป็นกายภาษาธะเป็นที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณได้และในเส้นผมยังเป็นอารมณะปัจจัยของของชวาวณจิตจิตที่ไปเกี่ยวข้องกับเส้นผมเนี่ยมีจิตกี่ดวงถ้าหากว่ากายวิญญาณก็มีเส้นผมเป็นอารมณ์ได้มีได้ไหมร้อนผ่าในศีรษะมนก็เส้นผมในนั้นอ่ะที่อยู่ในข้างในนั้นก็สามารถเป็นอารมณะปัจจัยของ กายวิญญาณได้สัมปติชนะสันติรณะโวทภนะและชาวนะที่เกิดขึ้นรับอารมณ์ในขณะนั้ น, น, นเวลาถอนหรือไม่ถอนเนี่ยขณะนี้ก็มีร้อนเนี่ยรู้สึกร้อนในติตะมันจะมีถ้าถ้าสังเกตนะถ้าสังเกตมันจะมีทันทีเลยแต่แล้วในในเส้นผมเนี่ยพัวไปเนี่ยสภาพจิตที่เรามีเส้นผมเป็นอารมณ์เนี่ยหรือมีผมเป็นอารมณ์เนี่ยจิตชนิดไหนบางที่รู้ผมเป็นอารมณ์ คิดเรื่องผมด้วยจิตชนิดไหนบ้างในจิตเหล่านั้นบางคนนี่ร่วงกรรมบุบางคนนี้น เ, นเป็นอกุศลถึงกับร่วงกรรมบุเลยก็มีเช่นอากุศลประเภทอภิชาอย่างเงี้กุศลประเภทอภิชาก็เกิดได้กุศลประเภทพยาบาทก็เกิดได้อากุศลประเภทมิจฉาทิฐิก็เกิดขึ้นได้ในโดยที่มีผมเป็นอารมณะปัจจัยขันธ์เจตนาที่เกิดร่วมกับชาวนะที่มี ผมเป็นอารัมมณปัจจัยนั้นสามารถนําเกิดได้ไหมก็ไปวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งว่ากรรมอันนั้นเนี่ยมีกําลังขนาดไหนไปเข้าว่าคาุกรรมอาจินกรรมอสันกรรมกระตาวาปณกรรมอะไรไปเข้าหลักเรื่องกรรมอีกครั้งหนึ่งว่ากรรมที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องผมนั้นอ่ะจะให้ผลต่อไปข้างหน้าอย่างไรอั้นการเจริญนิปปัตนาเป็นต้นก็คือการพิจารณาเรื่องของรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ ถามว่าเราจะพิจารณาเรื่องรูปนั้นอ่ะพิจารณารูปอะไรใช่ไหมก็ต้องมหาภูต ร, รูปกับอุปาทายรูปมหาภูต ร, รูปนั้นน่ะคือธาตุเดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าพระองค์นี้สงเคราะห์อาริยสัจลงในกายยาวาหนาคึกเพราะนั้นในกายของเรานี่แหละเน้น้ะส่วนใหญ่แม้แต่ในคำพีในพระพุทธศาสนานะ เคยได้ยินนะเกสาโลมานะขาธันตาเนี่ยถ้อยคำประเภทนี้มีมากมีหลายแห่งมากแม้แต่ในอภิธรรมปิดกยังพูดไหมในหมวดไหนดูนะสติปัฏฐานวิพังทิกสูในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้อพิจารณาเห็นในกายในกายเป็นภายในภายในยังไงคือภายในตัวเราในตัว คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเอาอาการตามที่สองมาขยายเฉยนี่นี่ในสติปัฏฐานที่ผังแต่เป็นสุตันตภาชนีเพราะเอากายภายในกายภายนอกก็ผมขนเล็บฟันหนังนั่นแหละเพราะฉะนั้นอารมณ์ของการเจริญวิปัสนาหรือการเจริญสติปัฏฐานก็คือการคิดเรื่องผมนั่นเลยการใส่ใจในเรื่องผมเรื่องขนเรื่องเล็บเรื่องฟันเรื่องหนังเรื่องเนื้อ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 ปัจจัยแก่เส้นผมคนคิดมากผมร่วงได้ไหมได้คิดมากกับผมร่วงได้ฮะจิตนี้จึงเป็นปัจจัยแก่จิตตชรูปที่อยู่ในเส้นผมมีอิทธิพลด้วยกรรมงอย่างก็เป็นปัใจจัยให้รูปในเส้นผมด้วยอันพวกนี้ต้องวิจัยทั้งหมดเลยนะถ้าเราวิจัยไม่ได้หรือไม่รู้โอจะเก็บอภิชาไว้ทิ้งไว้ที่ไหนเพราะถ้าไม่รู้สิ่งนี้สิ่งนี้เป็นสัจจะไหมเป็นสัจจะข้อไหน เส้นผมเป็นทุกขสัตว์ปัจจัยที่ทําให้เกิดเส้นผมปวดเป็นสมุทัยสัตว์ถ้าไม่รู้สัจจะเหล่านี้เป็นอะไรโมหะโมหะแต่โมหะมันเป็นกิเลสที่ว่าโง่แล้วยังไม่ทันรู้ตัวเลยอ่ะเป็นกิเลสที่เกิดแล้วไม่ค่อยรู้ตัวเลยก็คืออวิชชาท่านอวิชชานี้จึงเป็นจักเป็นปุพพานาจักเป็นจักที่ทําให้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปอย่างนี้ไม่จบไม่สิน้น ไม่ต้องถามหาที่จบนะถ้าวิชาไม่เกิดถ้าวิชาไม่เกิดยังไม่ถึงความเป็นอริยสัจของสิ่งเหล่านี้อาถามว่าการกล่าวแบบนี้มีที่มาไหมมีในปฏิสัมพิธามักเนี่ยจะกล่าวถึงเคยได้ยินนะเกษาในหัวข้อไปยานเนี่ยเกษาเกษาสมุทัยเกษานิโรธเกษานิโรธคามินีปฏิปทาเคยได้ยินนะวันนี้อ่านประวัติของท่านท่าสังกิจจะ สเนเนัมมณีพระสังกิจจาสัมมณเ น, น, นั้นท่านออกบวชนะท่านมีศรัทธาคือท่านนั้นเวลาท่านเกิดมาคันแก่ๆหน่อยเนี่ยแม่ก็ตายก็คือใกล้จะคลอดแล้วแม่ตายเลยที่นี่ตายสมัยโบราณก็เอาไปเผาเอาไปเผาก็ทำเชิงตะกรไอย่างดีเลยทาเชิงตะกรแล้วก็จุดไฟเผาทิ้งไว้ทั้งคืนแต่แล้วไฟไม่ ทีนี้เช้ามาเนี่ยเด็กอยู่ในนั้นทีนี้ไอ้สับ ป, ปะเลอเนี่ยที่แทงศพอะ่ะแทงไปถูกข้างตาพอดีเลยแทงไปถูกห้างต า, า ท, าตาทีนี้พวกพราหม์ทั้งหลายเขาก็ทํานายว่าเด็กคนนี้ถ้าออกบวชจะมีภิกษุห้าร้อยเป็นบริวาร <Okay. S 1> แต่ถ้าหากว่าไม่บวชชิบหายเจ็ดชั่วตระกูลเจ็ดชั่วตระกูลในชิบหายตอนหลังอายุประมาณเจ็ดขวบก็ตายถามประวัติของตัวเองเนี่ยอย่างไรอย่างไรอย่างไรก็เล่าให้ฟังว่าไม่ตายนะขนาดเผาศพและตัวเองเนี่ยอยู่ในท้องก็ไม่ตาย แต่ว่านี้ก็เรียกว่าอยู่ด้วยบุญยริษ์บุญหรือว่าเป็นความพิเศษของบุคคลผู้เกิดในชาติสุดท้ายว่าไม่มีใครฆ่าตายถ้าเป็นชาติสุดท้ายจะต้องเป็นพระอาหารหันต์ซะก่อนจึงจะจึงจะตายถ้ายังไม่เป็นพระอาหารหันต์่ายัางไงก็ไม่ตายมันเด็กขนาดอยู่ในท้องเขาเผาศพนะในเชิงตะ ก, กรก็ไม่ตายแต่ว่าปลายพวกไอ้ไม้ที่เขาทิมศพอะ่ะคือในการเผาศพนั้น จะต้องมาทิมมาแทงถ้าไม่ทิมไม่แทงปั๊บมันก็เผายากทีนี้ท่านก็สังเวทใจแล้วก็ออกบวชออกบวชนี้เป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรเขาสอนกรรมฐานให้เอสาโลมานะขาทันตาโกนคร <R> เป็นพระอารหันเลยเขาบอกว่าขณะที่มีโกนจรดรศีรษะก็บรรลุเป็นพระอรหันทํ า, า Ooh, ي, ทไมท่านมีบุญขนาดนั้นขนานนะเพราะการพิจารณาเส้นผมนั้นเป็นกรรมฐานที่ ในพระวินัยเนี่ยกล่าวไว้เลยว่าทิกสุหรือสามเณรทุกรูปที่บวชต้องให้กรรมฐานอันนี้ทุกคนต้องทานกรรมฐานนี้เรียกว่าตะจะปันปันจกกะกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่สําคัญที่สุดสําหรับที่สุทุกรูปที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาทุกคนต้องได้รับกรรมฐานนี้เหล่านี้หมดแล้วแต่จะได้รับคำอธิบายหรือไม่อีกเรื่องหนึง่งแต่ทุกคนจะได้ยินเกสาโลมานะคะธรรตาตะโจ ม, มาเหมือนกันหมดอันนี้ก็โทษคงวัาตระละ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 กรรมอะไรที่ข้าพเจ้าทำอยู่พึงเป็นไปเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกตลอดกาลนานกรรมอะไรที่ข้าพเจ้าทำอยู่พึงเป็นไปเพื่อประโยชน์พ เ, น เ, พชนเพื่อความสุขตลอดกาลนานก็เข้าไปถามแล้วว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไรทั้นอันนี้สองอันนั้นก็ทำให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์เจริญด้วยที่เรียกว่ายิ่งใหญ่กว่าเราเทพเราออ่นด้วยสิบอย่างว่างั้นเถอะก้าวล่วงเทพด้วยทิพย์สิบอย่างคือหนึ่ง สุขอายุวันณะสุขะพละสุขที่เป็นทิปปฏิพานที่เป็นทิปพวกนี้และรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะเป็นต้นที่เป็นทิปเพราะฉะนั้นนี้เป็นผลของการเข้าไปสักถามสมณพราหมณ์เป็นต้นพอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้มหาบุริษลักษณะคือมีผิวละเอียดเพราะผิวละเอียดทุลีละอองไม่ติดพระวรากายเลยพระพุทธเจ้านี่ไม่มีขี้ใครไปเปื้อนอะไรทั้งนั้นแหละ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 ถึงฝุ่นละอองไม่ติดก็จริงแต่พระองค์ก็ส่งน้ําอะไรอยู่มหาปริศลักษณะเสน้นได้จากผลของกรรมอันนี้ผู้ที่มีมหาปริศลักษณะอันนี้ถ้าครองเรือนจะได้ผลคือเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิจะได้รับผลพิเศษคือมีปัญญา ม, มากกว่ากามะโพคีบุคคลคนมีผิวพรรณดีฉลาดเพราะงกันเนี่ย น, น, นะตามตํารา น, นี่นะผิวพรรณละเอียดมีปัญญา ม, มากมีปัญญา ม, มากกว่า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 มีปัญญาร่าเริงเมื่อวานบอกว่าปุถุปัญญาใช่ไหมพระองค์มีปุถุแปลว่าหนาปุถุชนไงพระองค์มีปัญญาหนามากคิดในขันธ์ธาตุอายตนะอย่างนั้นหนาเนี่ยแทงตลอดได้อ่ะแล้วก็มีภาสะปัญญาปัญญารื่นเริงเอาวันนี้มาขึ้นชาวนะปัญญาดูปัญญาไวชาวนะแปลว่าแห่นหรือแปลว่าไวหรือเร็วมากชาวนะนี้แปลว่าแห่นหรือเร็วชาวนะปัญญาเป็นฉไหน ชวนะปัญญาคือรูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันมีในภายในมีภายนอกอย่าละเอียดเลวหรือประนีตรูปใดอยู่ไกลหรือใกล้รูปนั้นทั้งหมดย่อมแล่นไปโดยเร็วแล่นไปยังไงปัญญานี่แล่นเข้าไปในรูปทั้งสิบเอดกองเนี่ยแล่นไปยังไงแล่นไปโดยความไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอาณาตาปัญญาที่เล่นเข้าไปในรูปนะฉันต้นก่อนรูปรูปคืออะไรภูตรูปกับอุปาทายรูปภูตรูปมีสมุทฐานเท่าไหร่มีสี่อย่างกรรมจิตอุตุและอาหารในภูตรูปและอุปาทายรูปนั้นยังต่างประเภทออกเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลว ประนีตใกล้ไกลเสร็จแล้วพิจารณาเล่นไปทั้งหมดว่ารูปทั้งหมดเหล่านั้นนั่นแหละไม่เที่ยงปัญญาเข้าไปเล่นโดยความไม่เที่ยงทีนี้ไม่เที่ยงเนี่ยเป็นอย่างไรเขาบอกว่าคําว่าไม่เที่ยงนี้ก็บอกว่ารูปมีแล้วก็ไม่มีฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่เที่ยงจากไม่มีแล้วมามีขึ้นเมื่อมีขึ้นก่อนแล้วก็หมดไป เพราะไม่มีมาก่อนมามีขึ้นเกิดขึ้นด้วยความประชุมของปัจจัยแล้วกลับไม่มีใช่ไหมเส้นผมของเราที่มีขึ้นเพราะประชุมพร้อมของกรรมจิตอุตุและอาหารผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นเป็นต้นก็เหมือนกันเพราะความประชุมพร้อมของกรรมจิตอุตุและอาหารรูปประคันเหล่านี้จึงเกิดขึ้นรูปประคันเหล่านี้ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันก็เหมือนกันภายในภายนอกก็เห Angel, <S <S มือนกันเพราะการประชุมของปัจจัยจึงมีขึ้นเมื่อมีขึ้นแล้วก็ หมดไปปัญญาเล่นเข้าถึงความมีแล้วไม่มีอ่ะอันนี้ลราเรียกว่าปัญญาที่พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงคนมีปัญญาเล่นในขณะนี้เรื่องมีปัญญาไวมีปัญญาว่องไวชาวนะปัญญาหรือว่าด้วยการเข้าถึงความแตกดับฉะนั้นจึงไม่เที่ยงด้วยเหตุนั้นอ น, นิจจะแปลว่าไม่เที่ยงอธิบายว่าไม่ยั่งยืนอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าอ น, นิจจังด้วยเหตุสี่ประการเอาจากข้อความในดีกา ลักษณะสูตรมาอธิบายคำว่าอ น, นิจ จ, นนจังอ่านิจจังอีกอย่างหนึ่งก็บอกด้วยเหตุสี่ประการเพราะมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเป็นที่สุดคาว่าอ น, นิจจังนะสองความเป็นของชั่วคราวสามมีความแปรปรวนเป็นที่สุดสี่ค้านต่อความเที่ยงที่ชื่อว่าความที่รูปมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นที่สุด เพราะเป็นไปด้วยอำนาจความเกิดขึ้นและด้วยอำนาจความดับไปทุกๆขณะในตัวเขาเองก็ยังมีอุปาทะถทีติพังคะด้วยในชั้นละเอียดที่สุดเลยในชั้นที่เริ่มขยายเข้ามาเอีก็เป็นไปตามสมุธฐานนั้นๆเรื่องที่มีจิตเป็นสมุธฐานก็อยู่เท่ากับจิตที่เป็นสมุธฐานอุตูเป็นสมุธฐานก็อยู่เท่ากับอุตูที่เป็นสมุธฐานอาหารที่เป็นสมุธฐานก็อยู่ในระดับที่อาหารเป็นสมุธฐาน กรรมเป็นสมุทฐานก็จะอยู่ในระดับกรรมว่ากรรมอั น, นั้นเนี่ยจะสามารถให้อยู่ได้กี่ขวบกรรมนั้นจะทําให้อยู่ได้กี่ปีอ่าแล้วแต่ใครเนาะเราถามไม่ได้ว่าใครเพราะบางคนนี่ยอยู่ได้หนึ่งปีสองปีสามปีก็จุติละบางคนนี่ยอยู่ได้ยาวมากเลยเพราะนนั้มีความเกิดขึ้นและความดับไปทุกๆขณะแล้วต่อไปอีกเชื่อว่ามีความเป็นของชั่วคราวเพราะเป็นของมีอยู่ในขณะนั้นเท่านั้น ขนาดนั้นอ่ะนะเรามองอย่นี้ว่าขนาดที่เป็นอยู่เนี่ยนะห้าหกสิบปีเจสิบปีหรือกี่ปีก็ตามเถอะมันก็แค่ขนาดนี้ระยะสั้นๆเองเดี๋ยวก็หมดไปล้วเตือนทอ่านถ้าเห็ น, นสันตติก็เห็นขนาดด้วยนะ น, นะอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งต่อไปนะเพราะคามต่อความเที่ยงที่ที่ว่าไปเมื่อกี้เนี่ยที่เชื่อว่ามีความแปรปรนเป็นที่สุด เพราะมีความเป็นของแปรปรวนจริงอยู่รูปเมื่อแปรปรวนไปด้วยถึงความมีความเกิดขึ้นเป็นต้นย่อมถึงความพินาไปมันก็แปรไปเรื่อยๆนั่นแหละสี่ชื่อว่ามีสภาพที่ไม่เที่ยงนั้นชื่อว่าปฏิเสธต่อความเที่ยงจริงอยู่สิ่งทั้งหลายที่ไม่เที่ยงเชื่อว่าย่อมปฏิเสธเป็นสภาพเที่ยงโดยอัตถะเพราะความที่ตนนั้นเป็นสภาพที่ไม่เที่ยงนั่นแหละอันคนที่มีปัญญาไวก็สา ม, มารถที่จะแล่นไปใน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 อการพิจารณาแบบนี้ก็เป็นลักษณะของสัมมสัญาาประการหนึ่งเหมือนกันแต่ต้องไม่ลืมอย่างหนึ่งว่าผู้ที่จะพิจารณาเรื่องไตรลักษณ์นั้นกรรมสกตาต้องดีเพราะว่าการพิจารณาเรื่องไตรลักษณ์ก็คือปริญญาข้อไหนข้อไหนข้อสองถามข้อตอบข้อคืออะไรตอบยาวอีกนิดหนึ่งตีรณะปริญญามันต้องได้ยาตะคือมีความมั่นคงในเรื่องของยาตะพอสมควรแล้วนนะ ยาปะก็คือยาตะชั้นสูงหน่อยก็คือเรื่องของปัจจัยและเรื่องของลักษณะรูปมีลักษณะอย่างไรอ่าใ น, นรูปเพราะมีลักษณะเสื่อมสิ้นสลายไปเพราะวิโรธที่ปัจจัยมีความเย็นความร้อนความหนาวสัมผัสอันเกิดจากเหลือยยุงลมแดดความหิวความกระหายเป็นต้นนี้ก็เป็นวิโรธที่ปัจจัยเป็นปัจจัยที่เป็นปฏิปักษต่อรูปทั้งหลายเหล่านั้นอ่า น, นแล้วก็พิจารณารูป ทั้งหมดที่ว่าไปเนี่ยโดยความเป็นทุกขเป็นทุกเป็นทุกอย่างไรเป็นทุกก็หมายความว่าบเบียดเบียนจริงอยู่ทุกเนี่ยเบียดเบียนเป็นนิรันดรแก่รูปไม่ใช่เบียดเบียนธรรมดานะเบียดเบียนนิรันดรด้วยเบียดเบียนด้วยอำนาจความเกิดความแก่และความแตกหนักเพราะฉะนั้นความที่รูปนั้นเป็นทุกขก็โดยอาการที่เบียดเบียนหรืออีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่า เบียดเบียน ด, ด้วยเหตุสี่อย่างนะเป็นทุกข์ด้วยเหตุสี่อย่างหนึ่งเพราะว่าเป็นความเร่าร้อนสองเพราะว่าทนได้ยากสามเพราะอัดว่าเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์สี่ด้วยอัตถว่าปฏิเสธความสุขที่ชื่อว่าเร่าร้อนก็ได้แก่ความแผดเผาคือความร้อนรนด้วยอำนาจความเป็นทุกข์แท้ๆเป็นต้นอนะนะเพราะรูปเป็นที่อาศัยเกิดของทุกขะรูปเป็นที่อาศัยเกิดของทุกขะกายะวิญญาณ ถ้าไม่มีรูปพระอย่างหนึ่งทุกขกายญาวิญญาณเกิดได้ไหมเกิดไม่ได้เพราะอาศัยกายยะภาษาทรูปนั่นแหละทุกขกายญาวิญญาณจึงเกิดแถ้าไม่มีกายยะวิญญาณจะไม่แสบตาเลยไม่มีกายยะวิญญาณจะไม่เจ็บหูเลยถ้าไม่มีกายยะวิญญาณไม่ปวดฟันด้วยแต่นี้มีกายยะวิญญาณเลยปวดเลยเพราะฉะนั้นมันจึงเล่าร้อนเขาวงกเพราะมันเป็นไปด้วยอำนาจทุกขทุกขเป็นต้น และอีกอย่างหนึ่งเพราะมันเป็นทุกข์ทุกข์นั่นแหละมันจึงทนได้ยากเลยไม่สนุกเลยสามที่เชื่อว่าเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์เพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ทั้งสามอย่างทุกข์ทุกวิปริณามทุกข์สังขารทุกข์และเป็นสังขารทุกข์ด้วยทุกข์คาะไม่เที่ยงด้วยและก็ไม่มีสภาพที่เป็นสุขนั่นเองชื่อว่าการปฏิเสธความสุขไม่มีความสุขอยู่ในตัวของรูปแต่มีอสสาทะนะ รูปนี้ตัวของรูปไม่มีความสุขหรอกแต่รูปเป็นที่เป็นที่อาศัยให้เกิดอัสาทะได้แต่รูปนั้นเป็นที่อาศัยให้เกิดความยินดีความพอใจความเพลิดเพลินอันสภาพจิตที่เป็นไปด้วยอำนาจแห่งความยินดีความเพลิดเพลินนั่นแหละเป็นอัสาทะหรือจำนวนไทยๆแปลว่าคุณของรูปเขาบอกว่ารูปก็มีคุณ รูปก็มีโทษรูปก็มีอุบายเป็นเครื่องสลัดออกอคุณของรูปนะข้อความในมหาทุขขกขขันทสูตรในมัชชิมนิกายมหาทุขขกขขันทสูตรพระองค์ก็ถามว่าอะไรเป็นอาสาธ่ของรูปเขาบอกว่าเพิ่งเห็นอัสาธ่ของรูปออยากขอยกตัวอย่างว่าเหมือนกับบุตรสาวของกษัตริย์มหาสารหรือพราหมณ์มหาศาลผู้มีวัยประมาณสิบห้าสิบหก ผิวพรรณเปล่งปลั่งเป็นต้นนะนะความงดงามนั่นแหะอาสาทะของรูป อ, ะอ่ะอาโทษของรูปเป็นยังไงก็บอกพึงเห็นนางสาวคนนั้นนั่นแหละโดยล่วงการผ่านไปไวได้แ 10, ปดสิบเก้าสิกร้อยปีงกๆเ ง, งินอะไรเนี่ยโทษของรูปอาสาทะของรูปอ่าทั้งวัตถุและอารมณ์เจนพรทั้งสิ่งที่เข้าไปยินดีทั้งสิ่งที่ที่ถูกยินดีด้วยทั้งสองอย่าง คำว่าอาสาทนะเป็นได้ทั้งสองอย่างคือหมายถึงตัวความยินดีด้วยถึงสิ่งที่ถูกยินดีด้วยทีนี้ต่อไปนะโทษแล้วใช่ไหมโทษก็คืออายุมากๆอ่ะนั่นแหละโทษอ่ะจนถึงเจ็บป่วยล้ ม, ม้อนนอนเสือ่อมีคนคอยเช็ดคอยลา้างอุจระปัสาวะจนถึงกับตายตายแล้วก็เป็นซากศพหนึ่งวันสองวันสามวันสี่วันจนถึงกระดูกแหลกเป็นผุยผงเป็นที่สุดนั่นก็คือโทษแห่งรูป แล้วอุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูปทำยังไงไปฆ่านางสาวคนนั้นเลยใช่ไัมยอาจะได้พ้นไงจะได้สลัดออกใช่ไหมคำสอนผู้เจา้าใช่ไหมทำยังไงอะ่ะ<ม>การละฉันทราคะในรูปพระองค์บอกว่าท่านจงตัดความเยื่อใเยเสถ่พรามก็คือสอนให้ละไอความยินดีความติดใจอันนั้นแหละไม่ได้ให้ไปทาอะไรกับดอกไม้หรอกดอกไม้เาก็เป็นอย่างนั้นของเานั่นแหละ แต่ว่าไอความติดใจพอใจในดอกไม้อ่ะถ้าพูดอกีกจานวนหนึ่งนะก็คือละชันทราคานั่นแหละเป็นนิสระ่าชั้นทราคาจะละได้ด้วยถ้าในรูปนะอนาคามีมัสละได้เด็ดขาดเลยที่จะไม่ยินดีในรูปเลยก็คืออนาคามีมัเอาเด็ดขาดนะถ้าไม่เด็ดขาดก็เจริณาสุภาพมากๆก็ก็พอได้แล้วเจริอัสุภาก็เป็นเรีขำพระนะเนาะถ้าเจริญ วิปัสสนาก็เป็นตะทางค่าประหารเจริญวิปัสสนาเป็นตถังค่าธรรมมร ก, ก็เป็นสมุทเฉทะแต่ว่ามรรคนั้นต้องเป็นอนาคามิมรรคอ่าทีนี้รูปพิจารณญารูปนั้นโดยความเป็นอนัตตาทใหม่นะรูปอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือหมายถึงภูตรูปและปาทายรูปในภูตรูปปาทายรูปนั้นต้องมีสมุทฐานเอาสมุทฐานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะจะได้เรื่องรู้เรื่องของ ปัจจัยนั้นรูปนั้นวิธีการพูดถึงรูปให้มองเห็นปัจจัยง่ายก็คือเรื่องของสมุธฐานนั่นเองไม่ใช้คำว่าปัจจัยแต่ใช้คำว่าสมุธฐานแทนนั่นแหละคือปัจจัยของรูปต่อไปว่าเมื่อรู้เรื่องของโรคพร้อมทั้งสมุธฐานและปัจจัยดีแล้วก็ยังจำเนกว่ารูปเหล่านั้นทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตใกล้ไกล รูปทั้งหมดนั้นเป็นอนัตตาคือพิจารณาทั้งหมดนั่นแหละคือศักแต่ว่ารูป น, นะแต่ว่าภายนอกมันไม่มีรายละเอียดอะไรมากมายก็คือถ้าเป็นอนินริยะพัทธรูปคือรูปที่ไม่เกี่ยวข้องกับอินทรีย์ใช่ไหมย mm hmm. อย่างดอกไม้มีรูปอยู่แปดรูปครับนั่นเองคืออวินิโพครูปแปดมันก็พิจรารณาไม่ยากนะไม่มีรายละเอียดเกินไปนะเจนทญพรอย่างเช่นตัวอย่างในวิสุทธิมรร ท่านพิจารณาถึงเช่นดอกอโศกอใบอโศกวะอโศกใครใครรู้จักต้นอโศกนะมันตั้งแต่ออกปุ่มเลยตั้งแต่ออกปุ่มมาปุ๊บปุ่มนั้นจนมาออกเป็นเป็นยอดเล็กๆจากยอดก็ค่อยๆขยายขึ้นขยายขึ้นขยายขึ้นท่านให้พิจารณาอย่างนั้นด้วยเหมือนกันว่าในขณะ ท, ที่เป็นปุ่มก็ไม่ถึงขนาด ท, ที่เป็นเป็นใบเล็กๆจากใบเล็กๆ ก, ก, ก, ก็ไม่ถึงใบ ่าเริ่มสีใบเชิ่มชัดเจนขึ้นใบแก่ขึ้นใบเหลืองใบร่วงหล่นอ่ะแต่ละคำแต่ละคำก็ให้พิจารณาด้วยเหมือนกันอย่างเช่นในทั่วไปนะให้พิจารณาศพศพก็คือวินิโพครูปเท่านั้นเองอ่าที่เรียกว่าศพมีกี่รูปก็ดูมีกี่รูปอ่ะกระดูกคนตายเลยเนี่ยมีกี่รูปมีแปดรูปแต่พระองค์สอนให้พิจารณากระดูกนั้นด้วยแต่ในขณะเดียวกันนีก็ให้พิจารณาทั้งภายใน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 บางคนพิจารณาภายในแล้วบรรลุภายในหมายความว่าพิจารณารูปภายในเสร็จก็พิจารณาภายนอกด้วยนั่นแหละแต่มาบรรลุตอนที่พิจารณาภายในมาติกาท่านตั้งไว้สิบกว่าอย่างสลับกันไปสลับกันมาเยอะเลยเจริ่านอมิทิโฟกรูปคือบางอย่างได้แก่ปฐวีใช่ไหมเมื่อเกี่ยวข้องบางทีเป็นปฐวีเตโชเป็ น, ว, ปนวายโเป็นสีเป็นกลิ่นเป็นโอชาก็มี นั้นแม้แต่อาหารที่เรารับประทานก็คือวินิโพคครูปแต่พระ อ, องค์ก็สอนให้พิจารณาอาวินิโพคารูปด้วยและในสู่ทั่วไปนะกล่าวถึงเรื่องว่าเมื่อกามสําเร็จแก่บุคคล น, นั้นนะสําเร็จแก่บุคคลผู้ปรารถนาอยู่เขาย่อมเอิบอิ่มใจเป็นแน่เพราะฉนั้นแสดงว่าก็สอนให้พิจารณาทั้งวัตถุ ก, กามและกิเลสกามตรงนั้นท่านบอกเลยว่ากิเลสกามสอนให้ละวัตถุกามให้ กำหนดรู้หรือปริญญาสามแต่ว่าในชั้นรายละเอียดจริงๆแล้วรูปภายนอกมันไม่ไม่ติดใจมากนักหรอกคือพิจารณาไม่ยากเนี่ยอย่างดอกไม้คิดไปพักเดียวมันก็หมดเรื่องคิดละแต่ภายในนี่เรื่องยาวมากเลยทั้งหยาบละเอียดนะพวกสุขุมรูปพวกนี้ก็เป็นรูปละเอียดเลวประณภทก็นัยเดียวกันใกล้ไกลก็นัยเดียวกัน แต่วิธีการกล่าวแบบละเอียดละเอียดนั้นซึ่งเวลากล่าวตรงนี้คงคงไม่ไ ม, ไม่ไม่พออันถ้า ม, มีโอกาสเราได้กล่าวเรื่องรูปแบบพิสดารกันอนาคตตั ก, กรทีนี้ต่อไปนะพิจารณารูปโดยความเป็นอนัตตาเลยที่ว่าไปเมื่อกี้อนัตตนี้ก็คือไม่เป็นไปในอำนาจไม่เป็นเจ้าของหนึ่งว่างเปล่าหนึ่งปฏิเสธอัตตาหนึ่ง บรดาเหตุสี่อย่างนั้นใครๆก็เป็นผู้ไม่มีอำนาจในรูปนี้ว่าขอรูปที่เกิดขึ้นแล้วจงถึงความตั้งอยู่ในขณะเกิดบอกให้ตั้งได้ไหมรักขณะกันใั่ไหมขอรูปที่ถึงความตั้งอยู่จงอย่าแก่ขอรูปที่แก่แล้วจงอย่าแตกทาลายขออย่าลำบากด้วยความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเลยความข้อนี้นั้นเป็นอัตถะว่าไม่อยู่ในอำนาจของรูปนั้นคือเขาก็เป็นไปตามปัจจัยของเขาอะ คือรูปก็เป็นไปตามสมุดฐานถ้ามีสมุดฐานพร้อมแล้วเราจะบอกว่าอย่ามีนะได้ไหมไม่ได้ถ้าปัจจัยของรูปมีแล้วเนี่ยอ่าถ้าจิตเกิดขึ้นแล้วไม่ให้ทําจิตตชรูปได้ไหมถ้าชาวนาจิตไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อจิตเกิดขึ้นชาวนะจิตต้องต้องเกิดขึ้นอ่าชาวนะจิตเกิดขึ้นปุ๊บจิตแต่ชรูปต้องเกิดขึ้นเมื่อปัจจัยพร้อมรูปต้องเกิดขึ้นในขณะนั้นเลยเราบอกอย่ามีนะยายาอยา่าอย่างเดียวไม่พอหรอกเพราะนั้นทุกอย่างเหล่านี้เป็นอายตนะไง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 หลายอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลหลายอย่างในขณะเป็นเหตุของอย่างนี้แต่ไปเป็นผลของอย่างนั้นนะะแต่การกล่าวถึงเหตุเดียวและผลเดียวมีประโยชน์ประโยชน์เช่นเอ้คุณป่วยเนี่ยนะที่คุณป่วยอยู่อย่างนี้เพราะหนักน้ําตาลมากไปเพราะว่างั้นเสมหามากหรืองั้นมีหนักไปน้ําตาลหรืออ้วนมากเพราะอย่างเง้ยอย่างเงก็กล่าวไปเหตุเดียวผลเดียว mm hmm. เพื่อสะดวกต่อการสแสดงเป็นบางอย่างหรือว่ามันชัดเจน ในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องเหตุปัจจัยนั้นคงเป็นในบรรสาวเนาะกล่าวถึงเรื่องเหตุปัจจัยเยอะๆหน่อยทีนี้เป็นอนาตตาเพราะว่าไม่อยู่ในอำนาจของของใครๆอย่างที่ว่าถ้าเขามีปัจจัยพร้อมสิ่งนั้นๆก็ต้องมีขึ้นเสียงธรมาจะดังแน่นอนถ้าปัจจัยปจจยระชุมพร้อมเลยนะถ้าลองไฟดับดูดิปดเลยดังอยู่แค่นี้แงๆๆแค่นี้แหละนะสิ่งเหล่านี้เป็นไปตามปัจจัยมันคําคสอนผู้ตุลาเจ้าอย่าลืมนะ พระองค์แสดงในลักษณะของสังขารอานิจจาวตสังขาราสังขารที่เที่ยงไม่มีรอกแต่ว่าในสังขารแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั่นนะ่ะองค์ประชุมของเขามากอย่างความคิดที่ยมนั่งคิดกันอยู่นี่เนี่ยคิดดูนะักกว่าจะคิดได้ขนาดนี้นี่ง่ายไหมบางคนเนี่ยนั่งให้มันได้คิดได้แค่นี้ยังทําไม่ได้เลยเอาให้คิดอยู่เป็นเรื่องเป็นธรรมะเนี่ยตลอดตลอดตลอดแบบนี้ยังคิดตามไม่ได้เลยอ่ะ กว่าจะคิดได้ขนาดนี้นะปัจจัยเยอะนะสะสมความรู้พระธรรมมากี่ปีแล้วอะ่ะหลายคนเนี่ยมานานเลยนะสะสมความรู้พระธรรมมาค่อนข้างนานแล้วหนึ่งนี่เรียกว่าตะกูลปกตูปันนิสยาปัจจัยมานานแล้วต่อไปอีกปัจจัยยังไม่ใช่แค่นั้นนะมีอะไรอีกถ้าจิตขณะนี้เป็นกุศลถ้าความคิดอันนี้เป็นกุศลเหตุภายในที่สาคัญมากต่อกุศลจิตคือโยนิโส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 เป็นปัจจัยแห่งกุศลอันปัโตโคสา่าเนื้อเสียงที่อื่นก็อาศัยกาลยานนมนิทนั่นเองอันอุปปริัยที่สะสมมาแตกต่างกันเมื่อสะสมมาแตกต่างกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเราว่าหน้าตาจะเหมือนกันไม่ต้องกลัวไม่มีใครเรียนแบบได้ช่านถามว่าถ้าไม่คิดอย่างนี้พระพุทธเจ้าชมหรือตําหนินะถ้าไม่คิดเรื่องราวเหล่านี้นะปล่อยจิตให้ไปเป็นบาปโดนตําหนิแน่ดูก่อนโม่เข้าปรุษ วันนี้ก็อ่านกันนะที่บ้านก็เรียนกันเรื่องกุศลวิตกอยู่เหมือนกันพระองค์บอกว่าถ้าอกุศลวิตกมันเกิดนะเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเพระองค์พิจารณาก่อนว่าถ้าอกุศลวิตกเนี่ยถ้าปล่อยให้เกิดหนึ่งกุศลวิตกทําให้เบียดเบียนตนทําให้ตนได้รับความทุกข์สองเบียดเบียนผู้อื่นทําให้ผู้อื่นได้รับความทุกข์เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายและอกุศลวิตกที่เกิดขึ้น เป็นไปเพื่อให้ตัดขาดปัญญาทําให้ปัญญาที่เป็นโลกีะและปัญญาที่เป็นโลกุตระตัดขาดไปและอากุศลวิตกเหล่านี้ไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานพระองค์บอกว่าพอพระองค์พิจารณาอย่างนี้เนี่ยอากุศลวิตกอันนั้นก็ไม่เกิดเสร็จแล้วพระองค์ก็พิจารณาถึงอา น, นิสงส์ของกุศลวิตกกุศลวิตกนี้เมื่อเกิดขึ้นไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายและเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามแห่งปัญญา แล้วก็กุศ ล, ลวิตกเหล่านี้เป็นไปเพื่อพระนิพพานเราก็เลยตรึกวิตกอันนั้นมากพอตรึกมากนะทั้งวันทั้งคืนก็เลยพอคิดมากก็เลยฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านจิตก็ห่างจากสมาธิตอนหลังพระองค์ก็มาตรึกกุศลวิตกอีกนั่นแหละแต่ว่ารู้เวลาเ อ, อเวลานี้มันจะฟุ้งซ่านแล้วก็เจริญสมาธิก่อนแล้วก็มาวิตกต่ออ่าวิตกอันนี้หมายถึง วิปัสนาต้นๆเขาเรียกว่าตุณวิปัสนาก็คือตั้งแต่ยานหนึ่งจนถึงประเภทยาณะที่สี่อะตุณวิปัสนาสังขารปริเฉทยานะปัจยะปริขหายานะสัมมสนายานะและอุทยะเบื้องต้นพวกนี้อาศัยการตึกเขาเรียกว่าวิปัสนาอย่างอ่อนมีสี่อย่างผมก็ตรึกอย่างนี้มากๆเพราะการที่ไม่ตรึกอย่างนี้เนี่ยมีโทษก็บอกว่าโทษของถ้าปล่อยให้จิตเป็นอกุศลหนึ่งนะ เบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเป็นไปเพื่อตัดขาดแห่งปัญญาไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานในเวทาวิตักขสูตรมัชฌิมนิกายมูลปัญนาเล่มสิแปดคือเขามีเคยขึ้นไหมเขาบอกว่าถ้าหากว่าปุถุชนจะเป็นพระริยเจ้าเนี่ยทำยังไงก็ บ, บอกพิจารณาขันธ์หถ้าเป็นพระโสดาบันจะเป็นพระสกท า, าคามีทำยังไงพิจารณาขันธ์ห เป็นพระสกทาคามีจะไปเป็นพระทหารจะทจาํ า, าทไงก็พิจารณาขันท่าถ้าเป็นพระทหารทําไงก็พิจารณาขันท่าสรุปแล้วไม่ว่ายานไหนก็พิจารณาไปเถอะเอาถ้าไม่พิจารณาขันท่าก่อนจะเข้าพระสมาบัติไม่ได้ถ้าไม่พิจารณาขันท่าเข้านิโรธสมาบัติได้ไหมไม่ได้เพราะว่าคนที่จะเข้านิโรธสมาบัตินะเช่นเข้าปฐมฌ า, านปุ๊บออกจากปฐมฌ า, านพิจารณาปฐมฌ า, านโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเข้าตัวทุติยฌานออกจากทุติยฌาน พิจารณาทุติยาชานโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เ ป, ปียหน้าตาเข้าตาติยาชานอย่างเงี้ยจนถึงเข้าอากินจัญญายตนะพิจารณาอากินจัญญายตนะโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกขนะ์เปียหน้าตาเข้าเนวสัญญาณาสัญญาญายตนะออกจากเนวสัญญาณาสัญญาญยตนะจึงกันดับสัญญาและเวทนาได้นี่ต้องเครียกว่าถ้าเจริญวิปัสนสนาอย่างเดียวเข้าพระสมาบัติถ้าเจริญสมถะอย่างเดียวเข้าฌานสมาบัติถ้าทั้งสองอย่างควบคู่กันไปเข้า นิโรธสมาบัตินี้พูดถึงสําหรับพระอนาคามีกับพระอรหรันต์พระผู้มีพระภาคนั้นหลังจากที่พระองค์เป็นพระอรหันต์และกิจน้อมไปในการน้อมไปในในในธรรมะเป็นที่สิ้นไปอาสวะเนี่ยในธาตุที่ไม่มีนิมิตเนี่ยมากน้อมไปในอมตะนิพพานธาตุเนี่ยมากจริงๆแล้วทุกสู่ที่พระองค์ทรงสแสดงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อวิวัตต์อย่างเดียว เป็นอัธยาศัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันนั้นในเรื่องของอนัตตาต่ออีกนิดนึงนะว่าความเป็นอนัตตก็คือไม่มีใครเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นไม่มีเจ้าของถ้าพูดแบบภายนอกนะแก้วน้ํำนี่นของใครมัอยู่ในมือใครของคนนั้นแหละเรียกโดยสมมุตินะแต่เขาก็คือวินิโพคารุอาจจะว่าของใครได้เพราะวินิโพคารุอันนี้ประชุมพร้อมของปัจจัยเส้นผมเราก็เหมือนกันจะว่าของเรามันก็ไม่เชิงนั้นแนะ มันก็เป็นไปตามปัจจัยของเขาอะ่ะถ้าบอกของเราเสร็จแนะ้่ไม่หาปัจจัยให้ดูสิอ่าพระพุทธเจ้านะเป็นผู้ที่มีผิวมีขนที่ละเอียดมากเลยนะเสร็จแล้วนะพระองค์ถ้าสมมุติถ้าบอกว่าขนนั้นเป็นของพระองค์นะพระองค์อดอาหารไปเรื่อย ๆ, ๆนะรูปเสร็จเนี่ยมันร่วงหมดเลยเพราะอาหารน้อยเส้นขนผมนี่เป็นของใครของอาหารของอาหารอย่างหนึ่งของจิตอย่างหนึ่งของกรรมอย่างหนึ่งของอุตุอย่างหนึ่งไอ้กรรมนั้นก็มาจากปัจจัยอย่างนะ กรรมนี่มาด้วยปัจจัยกี่อย่างกรรมกรรมมีปัจจัยกี่อย่างนะถ้าคนฉลาดเขาจะตอบว่ากรรมที่ว่านี่คืออะไรเขาก็จะถามต่อไปอีกใช่ไหมเออกรรมที่ว่าหมายถึงกุศลหรืออกุศลกุศลกรรมนั้นเป็นทั้งทานศีลภาวนาประสงค์เอาข้อไหนทานศีลภาวนานั้นมีทั้งรูปเสียงกลิ่นรสโพธภาภะเป็นอารมณ์เอาอารมณ์ข้อไหนในรูปเสียงกลิ่นรสนั้นอ่ะเป็นกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรม เราแๆๆๆไปอีกนะเราจะไม่รีบตอบนักหรอกนะนะ <c oughs> ก็นั่นแหละเป็นปัจจัยถ้ารูปารมณ์หรือว่าคันธารลมละสารมณ์นั่นแหละเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งโดยอารมณปัจจัย <c oughs> ปัจจัยอื่นๆของกุศลอีกก็คือปากตูปะนิสยปัจจัยของกุศลอนันตระปัจจัยของกุศลสัมปยุตตปัจจัยเป็นต้นของกุศลนั้นๆก <c oughs> ุศลแจิตก็ปัจจัยตังย้งเยอะแยะนะสัมปยุตตธรรมของกุศลจิตนี้มีเท่าไหร่ ถ้าสํานวนอภิธรรมตสังฆหานะประมาณไม่เกินกุศลจิตที่มากที่สุดเลยมีเจตสิกประกอบสามสิบหกดวงในเฉพาะในมัคคจิตประเภทที่สงเคราะห์เป็นปฐมฌานอะ่ะสาสบกดวงเวน้นอัปปมัญญาสองเท่านั้นเองแต่ถ้าหากว่าสํานวนอภิธรรมติดอกกุศลธรรมเกินกว่าห้าสิบกุศลธรรมเกินห้าสิบแต่ว่านับแล้วนับอีกเช่นศรัทธาเป็นศรัทธาพระสักทินรีย มีสัทธากับสัธาภะละมีสองอย่างใช่ไหมถ้าหากว่าสติอะเป็นทั้งสตินีสติสัมโพชงสติภะละสัมมาสติอย่างเงี้ยการที่กล่าวซ้ำๆอางนี้จึงกล่าวว่ากุศลธรรมเกินกว่าห้าสิบนี่เป็นสํานวนของอภิธรรมดีดกที่เป็นพุทธพจน์เลยก็ต้องถามว่าสํานวนไหนอีกครั้งหนึ่งนะอะเนาะเรื่องยาวจริงๆเลแต่เรื่องเดียวนะจนกว่าจะประกอบเสร็จอะทีนี้ต่อไปอีกนะว่าที่เป็นอนัตตาเพราะอาจว่าว่างเปล่า ว่างเปล่าก็ความที่รูปนั้นว่างเปล่าจากภาวะนั้นโดยเว้นจากผู้อยู่อาศัยอ่มีใครไปอาศัยอยู่ในรูปนั้ น, น, นไหมสมมติว่าเรายกอวินิโพค ร, รูปขึ้นมาหนึ่งรูปเลยมีใครไปอาศัยอยู่ในวินิโพค ร, รูปไหมไม่มีเนาะเขาบอกว่างจากผู้อาศัยว่างจากผู้สร้างเงเพราะวินิโพค ร, รูปอ น, นั้นเกิดด้วยปัจจัยผู้เสวอยอยู่ในตัวของเขาอีกก็ไม่มีอีกผู้ดํารงอยู่มั่นคงในนั้นก็ไม่มี เพราะฉะนั้นจิงชื่อว่าว่างเปล่าแต่รูปมีอยู่นะรูปมีอยู่แต่ผู้อา ศ, าศาัยผู้สร้างผู้สวยผู้ดำรงไม่มีเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าว่างเปล่าสุญญาตาไงสุญญาตาหรือว่าโดยความเป็นาธาตุมันเป็นลักษณะนั้นแหละถ้าคิดอย่างนี้สา ก, กายยะทิฐิไม่เกิดแต่ถ้าคิดอีกอย่างหนึ่งปุ๊บสา ก, กายยทิฏฐิเข้ามาทันทีเลยถ้าสา ก, กายยะทิฏฐิจะเกิด น, นะเกิดลักษณะในสมมุติง่ายๆเลยนะเออเราในชาติที่ได้มันเป็นอะไรมั ทำบุญอะไรมากจึงไลยมาเกิดเป็นอย่างนี้ถ้าชาติหน้าเราจะเกิดอีกนะมันจะไปเป็นอะไรนะเออแล้วตายจากชาติหน้ามันจะไปเกิดเป็นอะไรอีกเนี่ยลักษณะของส ก, กายยะทิฏฐิมันจะเป็นไปในลักษณะนี้ต า, ตายแล้วเกิดไหมตายแล้วเกิดไหมรู้ไหมตายมันศูน ม, มันศู น, น, นย์ั่นศูนย์ยังไงวะเนี่ยในลักษณะนี้นะคลแบบนี้บ่อยๆส ก, กายยะทิฏฐิจะเข้ามาแล้วเข้ามาเสร็จแล้วไม่แน่กระเดียเป็นอุเฉท ท, ทิฏฐิต่อไปเลยเสร็จแล้วก็เป็นทิฏฐิที่คนแก้ไขไม่ได้ ก็คติสองของผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิหรือฉันกับนรกนรกก็มีประเภทโลกันตานรกพิเศษสําหรับของผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเลยเธอในหัวข้อทิฏฐิเนี่ยวิตกก็เป็นเหตุของทิฏฐิด้วยใช่ไหมนั่นแหละในปฏิสามพิธา ม, มักเหตุของมิจฉาทิฏฐิมีแปดอย่างวันหลังจะเอามาว่าให้ฟังวันนี้จําได้ไม่หมดหรอกต่อไปนะไม่มีสภาวะที่เป็นอัตตาในตัวของรูปเองเนี่ย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 ที่ไกลหรือใกลทั้งหมดนั้นแล่นโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาอย่างนี้ชื่อว่าเป็นชาวะปัญญามีปัญญาไวเมื่อไหร่จะไวอย่างนี้มั่งนะจะไวได้ยังไงโถไม่เคยซ้อมเลยก็บอกว่าคนที่ยิงปืนที่ยิงได้ไวยิงได้ไกลยิงได้แม่นยำเนี่ยเขาซ้อมประจาเลยนะมันไม่ซ้อมเหนียวมือตก <c oughs> พิจารณาเรื่องนี้ก็เหมือนกัน ผมไม่เคยฟ้อมเลยแหมจะชักมาก็ยิงปัง้งๆัง่งมัเอ า, าเฉพาะจุดตายด้วยผมว่ามันจะอะไรจะขนาดนั้นนะคือพอปฏิเสธพอคิดไปนะมันจะคิดเอเรานี่ยเป็นใครวะเรานี่มาจากไห น, นี่เรานี่มีคนสั่งมาหรือเปล่าวะเนี่ยมีคนควบคุมเราหรือเปล่าวะตอนนี้ เ, เราหรือเราไม่เป็นตัวของตัวเองหรือว่าไอ้ที่เราทําำนี่มันใครให้ทํากันแน่จะทําไปทําไมวะเนี่ยเออทําแล้วที่สุดของการกระทํานี่มันจะเป็นยังไงนะ แล้วคนอื่นทําไมก็าต้องทำอย่างนั้นเสร็จแล้วคิดไปวนไปวนมาวนไปวนมาคิดไปคิดมาเออเนาะคนเราเดี๋ยวก็ตายแล้วตายแล้วก็เผาเออจบกันเลยพอเป็นอุชเชติเตปั๊บนะเออนี่ชีวิตมันก็แค่ตายใช่ไหมตายสดก็จบกันออพ่อแม่เน้นจะมีคุณอะไรพ่อแม่ก็ไม่มีบุญคุณครูอาจารย์ไม่มีบุญคุณกรรมดีกรรมชั่วเพราะฉะนั้นรีบสเสวยเถอะรีบทำกรรมเถอเดี๋ยวจะหมดเวลาก่อนนะ รีบแสวงหาความสุขซะอันคิดให้มันเป็นบาปนะพักเดียวไม่ยากในเรื่องของการคิดนึกนั้นมีความสำคัญมากชีวิตขนาดไหนบ้างที่ไม่คิดนึกมิตกกลืร่วมกับจิตกี่วงวเจ็ดตัวเลยนะวิตกนั้นชีวิตของพวกเราไนงะโลภะก็มีวิตก วิตกที่เป็นไปกับโลภะเรียกว่ากามวิตกวิตกที่เป็นไปกับโทสะบางอย่างเป็นพยาบาทวิตกบางอย่างเป็นวิหิงสาวิตกวิตกที่ขาดเมตตาเป็นพยาบาทวิตกวิตกที่ขาดความกรุณาขาดความสงสารเรียกว่าวิหิงสาวิตกแต่วิตกเป็นไปกับวิจิกิจฉานั้นท่านจาริบบายในลักษณะสงสัย วิตกที่เป็นไปกับความสงสัยเช่นสงสัยโอ้ในอดีตเราเคยเป็นอะไรนาะในอดีตเป็นอะไรแล้วจากเป็นอะไรไปนาะอันนี้ก็อาศัยวิตกนั่นแหละทําให้เกิดทิฏฐิวิจิกิจฉาอันนั้นเกิดขึ้นแล้วจกเกิดทิฏฐิต่อไปเพราะว่าวิจิกิจฉากับทิฏฐินี่ยมันใกล้กันมากอ่าพวกนี้ก็เป็นประเภทของอ่ะภูสลวิตกในวิตกทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยถ้ารับปล่อยให้มันเกิดบ่อ ย, อยเกิดมากๆมีโทษ ตัวเขาเองก็มีโทษเพราะเพราะอะไรเขาเขาเป็นอักูสน่ะขึ้นชื่อว่าอากุศลมีโทษและกําไรของเขาก็คือเป็นกําไรที่ไม่น่าปรารถนาเป็นวิบากที่ไม่น่าต้องการถามว่าถ้าอากุศลวิตกเกิดขึ้นนั้นขณะนั้นเป็นอินทรียสังวรไหมเป็นศีลได้ไหมไม่ใช่ศีลด้วยไม่ใช่ปาติมโมคขะสังวรไม่ใช่อินทรีย์สังวรเมื่อเป็นอย่างนี้ทำยังไงในชั้นศีลเนี่ยทยํายังไงจะแก้อันนั้นอะไร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 จเจริญด้วยการสังวรและสำรวมระวังต่อไปสมมติถ้าหากว่าผู้ใดไปล่วงเกินพระผู้มีพระภาคเจ้าใช่ไหมไปล่วงเกินพระผู้มีพระภาคเจ้าเสร็จแล้วก็ขอโทษพระผู้มีพระภาคกล่าวว่าโทษเพราะความโง่ความเข่าของเธอเนี่ยได้เกิดขึ้นเธอได้เห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วถึงความสำรวมระวังต่อไปนี้เป็นความเจริญในอริยวินัยของพระธรรมคตอันการสังวรการสำรวมอันเราอย่าไปเสียใจยเลยว่าเอ๊ เรานี้ทำไมผิดพลาดบ่อยจังไม่เป็นไรสํารวมหนึ่งครั้งเกิดขึ้นเป็นกุศลจิตหนึ่งทีอธิษฐานแบบนี้ไปเรื่อย ๆ, ๆเดี๋ยวนานๆเข้าหิริโอตะปะมันจะเกิดขึ้นความเคารพตัวเองก็จะเกิดขึ้นพอความเคารพความยำเกรงเกิดขึ้นปับ๊บกุศลอื่นๆก็จะเข้ามาไม่ยากนะประทานคาสอนที่เราศึกษามาเมื่อก่อนที่เราไม่ค่อยเข้าใจหรือไม่ค่อยสนใจคําสอนเหล่านั้นเราจะเริ่มเอามาเพ่งเอามาคิด ถ้าจนถึงเอามาเพ่งเอามาคิดพิจารณาในชีวิตได้ก็แสดงว่าเราก็ใกล้พระธรรมเข้าไปอีกระดับหนึ่งล้วค่อยๆใกล้พระธรรมเข้าไปอีกอันผู้ที่มีการพิจารณาพระธรรมจนมีความเข้าใจอย่างทองแท้มีความเห็นที่ถูกต้องก็ตรึกตามความเห็นที่ถูกต้องนั้นแหละมีความเห็นที่ถูกต้องในพระธรรมหมวดใดหมวดหนึ่งแล้วก็ตรึกตามนั้นการตรึก น, นั้นเป็นเป็นอะไรเป็นสัมมาสังกัปปะ นั่นเป็นเนคขมมะสังกัปปะขณะนั้นเป็นเนคขมมะสังกัปปะเพราะตรึกตามตามพระธรรมที่ที่ได้ศึกษา ม, มาตรึกตามพระธรรมดงั้นวิตกมีการตรึกอย่างนี้บ่อยๆวิตกวิตกนี้เป็นฌานไหมเป็นฌานมีกี่อย่างฌานมีสองอย่างลักคนูปนิสชาญกับอารัมณูปนิสชาญพอตรึกไปในเมตตามากๆก็เป็น อารามณูปนิสชาต์ตรึกไปในเรื่องรูปนามขันห้ามากๆก็เป็นลักคนูปนิสชาต์เพรันถ้าหากว่าตรึกบ่อยๆอาศัยพื้นฐานที่เราเข้าใจพระธรรมหมวดนั้นอยู่แล้วเห็นเพ่งเพราะฉะนั้นข้อความที่พระผู้มีพระภาคแสดงกับท่านพระโพธิละปัญญาย่อมไม่เกิดเพราะการไม่ประกอบปัญญาเกิดเพราะการประกอบ ผู้เห็นทางสองแพร่งนี้แล้วก็พึงประกอบขนทางที่จะทำให้ปัญญาได้เกิดขึ้นอยู่ในคาถาธรรมบทเจ้าพอในคาถาธรรมบทถ้าฉบับนี้เล่มสี่สิบสามอ่ะเล่มสี่สิบตาในคาถาธรรมบทที่สูตรว่าด้วยจับเฮียดียนะนจับเียเรื่องพระโปติละพระโปติละท่านกล่าวไว้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 ในอารมณ์กรรมฐานต่างๆะถ้าเราไม่คิดเราไม่สังวรไม่ส้ำเนียบเราก็ปล่อยจิตให้ไปเป็นบาปเป็นอกุศลเพราะการตรึกการคิดอย่างนี้บ่อยๆมากๆก็คือการที่ไม่ปล่อยจิตให้ไหลไปในวิตกทั้งสามถ้าหากว่าเราปล่อยจิตให้ไหลไปในอกุศลวิตกทั้งสามประการที่เป็นไปกับอกุศลแล้วกรรมเราต้องนึกถึงกรรมมาปัจจัยไว้เลย ขณะนั้นประโยคคะก็วิบัตกในขณะที่อกุศลจิตเกิดขึ้นบ่อยๆวิบากที่จะเกิดขึ้นต่อๆไปก็ไม่ดีแล้วในขณะเดียวกันชาวนะดวงที่หนึ่งของความคิดเหล่านั้นมีผลไหมมีผ ล, ผลทิ่ถรรทมมเวทนียกรรมสา ม, มารถที่จะกำหนดชีวิตแล้วคิดในเรื่องไม่ดีมากๆแสดงว่าชีวิตต่อไปข้างหน้าเราก็มีแต่ความล่มจมเสื่อมสลายทีนี้ต่อไปอีกดวงที่เจ็ด ก็วความคิดนี้บางครั้งมันร่วงกรรมบทนะถ้าเป็นอกุศลเนี่ยบางครั้งก็ร่วงกรรมบดนะคิดแช่งชักขักกระดูกใครเข้าสวยและวหรือมาคิดไปไม่ดีก็เป็นมิจฉาทิฏฐิขณะนั้นก็เป็นชัวดวงที่เจตให้ผลนำเกิดเพราะนั้นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะสิ่งที่มีโทษมากที่สุดเลยเพระองค์บอกว่ามิจฉาทิฏฐินี่มีโทษมากที่สุดมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเกิดจากการคิดเขาบอกว่าถ้าคิดถึงเจ็ดครั้ง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 พอดิ่งไปลักษณะ น, น, นั้นปั๊บเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าก็แก้ไขไม่ได้แก้ความคิดให้เขาเปลี่ยนแปลงความคิดนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงโทษมากกว่าอนันตริยกรรมโทษมากกว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพาระราหันสรุปแล้วนะความคิดของเราน่ากลัวที่สุดไอวิทย์ตกกันนั้นน่ากลัวที่สุดถ้าคนจะดีจะชั่วจะตกนรกขึ้นสวรรค์ก็เพราะความคิดนั่นแหละเพราะความคิดเนี่ย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 โลกไหน<ล>พรหมมรลกโอ้คิดใครได้คิดได้ขนาดนี้นี่วิเศษเลยนะแต่ก็ยังว่านะแค่คิดจะให้กับการรบเนี่ยเสมอการกบอง์ว่ายอย่างนั้นเมื่อกี้นี่ว่าพระโปธิละใช่ไหมฮะเจนพานที่ว่าเจอทางสองสองสองแท่งสองแท่งก็คือการประกอบกับการไม่ประกอบการคำว่าประกอบหมายถึงว่ายโยนิสโสมนสิกาใช่ไหมครับเชนพานคว่าประกอบเนี่ยก็ประโยค่าก็เหมือนกัน คือท่านพระโปติละนี้เป็นเป็นผู้ทรงพระตาญปิดดกอยู่แล้วอ๋อเป็ น, ปนพระฮะเป็นพระที่ทรงพระตายปิดดกอยู่แล้วท่านก็สอนลูกศิษย์ท่านเป็นพระ อ, อรหรอันต์เยอะแยะไปออทีนี้ท่านเนี่ยไม่ได้บรรลุอะไรเลยตอนหลังพระองค์ก็จะสงเคราะห์นะเห็นพระโปติละมาก็บอกมาแล้วเหรอโปติละเปล่าไปแล้วเหรอโปติละเปล่าทักอยู่ได้อย่างนี้เรื่อยน้อยใจนี่ว่าเราเปล่าก็เลยอย่างเราเนี่ยมันจะกี่วันเช่อเกิดมาณไปก็ ไปหาคืออ่าท่านเคยแต่สอนคนอื่นะนะไอแต่จะเอามาใช้เองจริงๆมันใช้ไม่เป็นอ่ะ <c oughs> จะเอาสูตรไหนดีวะเนี่ย <c oughs> ก็เลยไปอยู่ในป่าไปถามพระในในวัดแห่งหนึ่งก็ไล่าถามไปเรื่อยๆจนถึงสั ม, มเนนสั ม, มเนนก็เลยจะลดมานะดูว่าอาจารย์นี่มหมดมานะหรือ ย, ยังบอกว่าอาจารย์ลงน้ําท่านก็เดินไปลงน้ําเลยนะจีวรจะเปียกบอกนิมนตขึ้นมาเถอะท่านก็คําเดียวท่านก็ขึ้นมาสั ม, มเนนนะอายุเจ็ดขวบแต่เป็นพระุอรหารบอก เสร็จแล้วก็บอกว่ามีจอมปลวกจอมปลวกหนึ่งมีหกรูว่าไงมันก็ปิดห้ารูแล้วก็ขุดเอารูสุดท้ายนะอุดห้ารูที่เหลือลท่านก็บอกว่าท่านก็เข้าใจทันทีเลยก็คือพึงตั้งกรรมฐานเอาไวในมโนทวันตั้งกรรมฐานเอาไวในมโนทวันเสร็จแล้วท่านก็พิจารณา<ม>ธรรมะอยู่พระองค์ก็แปลงรัศมีมาแล้วก็กล่าวคาถาบทนี้จบท่านก็เป็นพระอรหรันต์ ก็คือท่านไม่เคยเอามาตรึกตามพระธรรมหรือไม่เคยเอามาใช้ในลักษณะเออนี่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่เอามาสนใจเลยเพราะท่านก็คิดแต่จะสอนเออคนนี้ต้องรู้เรื่องนี้คนนี้น่าจะเหมาะเรื่องนี้คนนี้เนี่ยน่าจะรู้สูตรนี้อะไรเงี้ยนะก็สอนไปอย่างนั้นสมมติถ้าหากว่าผู้ที่มีความเข้าใจดีอยู่แล้วว่ า, าการเจริญกรรมฐานจริงๆเป็นกรรมของกรรมทางมโนทวาร เป็นกรรมที่เกิดขึ้นทางมนโนทวารนั้นกรรมอันนั้นเนี่ยจะมาพิจารณาทางจากักรทวารก็ได้เพราะว่าอตัวที่ต้องการอบรมจริงๆก็คือมโนทวารวิถีไม่ใช่ปัญจทวารวิถีตัวที่ต้องการอบรมจริง ๆ, ตตงงๆแต่ว่าในขณะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าคนเนี่ยเห็นทีละทวารอันนี้ก็อีกในหนึ่งแต่หมายความว่าถ้าผู้ที่เข้าใจพระธรรมนะสมมุติถ้าคนที่พิจารณาเรื่องทางตามากๆ ก, ก, ก็จะคิดแต่เรื่องทางตามากๆ เราเราใช้คําว่าโยนิโสหรือมีสติแต่เราไม่ใช้คําว่าสตินะเรามาใช้คําว่าคิดเรื่องนี้มากๆคิดเรื่องทวารตามากๆคิดเรื่องตาคิดเรื่องสีเรื่องจักรคูวิญญาณเรื่องผัสสะเรื่องเวทนาเรื่องตัณหาเรื่องอุปาทานเรื่องพบที่เกิดไหลมาจากทวารตาเป็นอย่างเดียวเนี่ยกรรมจริงๆอ่ะตัวตัวกรรมเนี่ยเป็นมโนทวารตัวปฏิบัติตัวเจริญจริงๆคือมโนทวารมโนทวารอันนั้นเนี่ย มันก็เมื่อกี้เราพูดถึงวิตกนะแล้วแต่เราจะคิดอ่ะเอามโนทวานนั้นมาคิดเรื่องจากรูทวานก็ได้เอามโนทวานคิดเรื่องโสตาก็ได้คิดเรื่องทางหูก็ได้เอามโนทวานมาคิดถึงเรื่องทางกายก็ได้เอามโนทวานมาคิดเรื่องเล็บก็ได้แล้วแต่จะน้อมไปอวิตตกแล้วแต่คิดเอาอ่ะการเจริญความคิดลักษณะนี้บ่อยๆเป็นความความเจริญคราพูดอีกในหนึ่งนะ อ่าถ้าเราคิดเรื่องเมตตาโทสะไม่เกิดถ้าคิดเรื่องโทสะเมตตาไม่เกิดจะเอาไงคะ น, นี้บอกไม่คิดได้ไหมไม่ไ ด, ไมได้มันต้องคิดอยู่แล้วถ้าคิดเรื่องพยาบาทวิตตกอัพยาปาธาหรือเมตตาไม่เกิดถ้าคิดเมตตาพยาบาทไม่เกิดเพราะฉะนั้นถ้าตรึกสิ่งใดๆมากฝ่ายหนึ่งจะหมดไปตรงนี้วิตตกนั้นๆจะเกิดขึ้นมากในทเวทาวิตกกะสูตรอะ แล้วแต่จะตรึกถ้าตรึกอันใดอันหนึ่งมากอีอย่างก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นถ้ารู้จักทางสองแพร่งคือคือการตรึกการสายใจการเพ่งมากๆอันนั้นแหละคือข้อปฏิบัติเพราะว่าข้อปฏิบัติคือศีลสิกขาจิตตะศิขาและปัญญาสิกขาในการคิดอย่างนั้นเนี่ยคิดอย่างไรเป็นศีลคิดอย่างไรเป็นสมาธิคิดอย่างไรเป็นปัญญา คิดเป็นศีลนั้นต้องเป็นไปกับจะตกปริสุทธิศีลถ้าคิดเป็นสมาธิคิดอย่างไรจรึงจะเป็นเมตตาถ้าคิดเป็นวิปัสสนาคิดอย่างไงรจรึงจะเป็นปริญญาสาังถ้าเราเรียนแบบเอาไปคิดต่อนะกับเรียนแล้วมาเฉพาะฟังอาบุญในห้องก็จะต่างกันเยอะเลยอ่าสังเกตดูจากชีวิตของต้นไมาเองนะถ้าอ่านหนังสือแบบอ่านเออให้มันผ่านๆไปนะ กับอ่านจะเอาไปคิดตามเนี่ยห่างกันมากถ้าอ่านแบบจะเราจะอ่านเอาไปคิดไปตรึกตามนะมันจะสนใจเกือบทุกคําอยู่ในนั้นหมดเลยไม่เรีบด้วยแกะทุกคําแล้วมันจะแกะมาข้างบนกับข้างล่างมันสัมพันธ์กันยังไงนะจะสนใจหมดเลยแต่ถ้าหากว่าอ่านให้มันผ่านนะผมวันนี้จะเอาร้อยหน้ามันก็ไปเหมือนกันมันก็ได้เหมือนกันร้อยหน้าแต่ก็จําไม่ได้ทักอย่าง ทั้นแต่ก็ต้องเลือกเอาทั้งสองอย่างนั่นแหละก็ศึกษาทั้งสองอย่างเพราะบางอย่างนะบางสูตรเราอ่านไม่เข้าใจเลยไปนั่งแกะทุกคํำนะเดี๋ยวก็เบื่อละมันก็ต้องอ่านให้ผ่านไปก่อนครั้งสองครั้งสามครั้งจึงจะเข้าใจวิตกนั้นมีเจตนาเกิดร่วมด้วยใช่ไหมเจตนาตัวนั้นเป็นตัวกรรมนี่โดยกรรมะปัจจัยแต่ตัวอกุศลทั้งหมดเนี่ยนะปกะตูที่ไม่ดีละ ตัวมันเองเป็นตัวที่ไม่ดีมันเป็นไฟชนิดหนึ่งเหมือนกันราคักกินาโทสักินาโมหกินาไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะแล้วในขณะเดียวกันนะมันเป็นอุปนิสัยให้ชวนะต่อๆไปโดยปกตูปนิสยปัจจัยแล้วคนที่สะสมความคิดอันนี้บ่อยๆเข้าไปที่ไหนมันจะชํานาญในความคิดลักษณะนี้เป็นผู้ที่ชํานาญในความคิดแบบนั้นถ้าลองฝึก สมมตินะไม่ไม่ได้แนะนําเพียงแต่ลองคิดดูนะลองฝึกบงแบงไปเรื่อยๆนะฝึกงี่เง่า ข, ขี้โกรธใครทําอะไรเนี่ยขัดหูขัดตาไปหมดเลยนะไม่เกินเจ็ดวันชํานาญเรื่องนี้เลยมองหาความเลวของคนเอาเถอะนู่นก็ไม่ดีอันนี้ก็ใช้ไม่ได้ตรงนั้นก็เลวเหลือทนตรงนั้นก็ไม่ดีนะตำหนิให้หมดเลยนะไม่เกินเจ็วันเสร็จแล้วจะอยู่กับใครเนี่ไม่ได้เลยในโลกนี้บอกมีแต่คนเลวหมดเลยหาคนดีไม่ได้ไห้แต่คนเดียว ดีอยู่คนเดียวคือคนคิดเพราะฉะนั้นอาคุศลพวกนี้นะจึงมีโทษมากมายมหาศาลโดยอุปนิสัยปัจจัยแล้วในขณะเดียวกันนะตัวนี้มันยังไปเป็นปกกตูปะนิสยะปัจจัยก่คนอื่นๆด้วยนั่งอยู่ตรงนี้นะคนที่โกรธนั่งอยู่ตรงนี้ตรงเดียวแค่นั้นแหละคนอื่นเนี่ยง้อยหมดเลยพระพุทธเจ้าบอกว่าคนบางคนนะหลีกเลี่ยงให้ไกลที่สุดคนบางคนวางเฉยแล้วก็หลีกห่าง พันในตรงนี้นะราต้องศึกษากรรมมสัสกาตาให้ชัดเจนที่สุดถ้าเราโกรธใครบาปใครมีโทษใครจะไปในรกไม่ต้องมีใครมาแช่งเนะราหรอปล่อยความคิดแบบนี้เกิดบ่อยๆนะและอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าเรามีนึกถึงพระธรรมบ่อยๆนะว่าความโกรธอันนี้หรืออกุศลเหล่านี้เนี่ยหนึ่งเบียดเบียนตนว่าเรานี่ยทุกแน่นอนสองเบียดเบียนผู้อื่นสาม เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายและเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เป็นไปเพื่อความเสียหายแห่งปัญญาไม่ได้เป็นไปเพื่อพระนิพานอะไรเป็นไปเพื่อตกต่าทั้งหมดเลยเพราะนั้นอกุศลนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าน่ารังเกียจโดยถ่ายเดียวเพราะนั้นอกุศลเนี่ยพระองค์ไม่มีที่ไหนยกย่องอกุศลเลยอ่าข้อความในภิกุณีสูตรอังคุตรนิกาจตุกานิบาต ท, ที่กล่าวยกย่องกิเลสบางอย่างนิดหน่อยแต่ว่ามีน้อยมากเช่นอาศัย ตันหาละตันหาอาศัยมานะละมานะตรงนี้แค่บอกว่าเอออาศัยตันหาละตันหาตันหานั้นมีโทษไหมมีให้ผลนําเกิดไหมไม่ให้ผลนําเกิดควรเจริญไหมควรเจริญไม่ให้ผลนําเกิดแต่ให้ผลไหมให้แต่ให้ในประวัติการถามว่าควรเจริญไหมตันหาประเภทนี้ควรเจริญตันหาว่ายังไงไยคนโน้นเขาได้เจโตวิมุตได้ปัญญาวิมุติได้เป็นพระอรหรันเราต้องเอาอารหันให้ได้ ว่าไอ้ความคิดอย่างนี้ควรจเจริญถึงกับเป็นตันหาก็ควรจเจริญตรงนี้อาจารย์ท่านอธิบายอย่างนั้นในมโนระทะบรณีอังคุตรนิกายจตุการนิบาตภิกุณีสูตรมากล่าวถึงปัญญาของพระผู้มีพระภาคต่อนะชะวนะปัญญาชวนะปัญญาเมื่อวานกล่าวถึงว่าชวนะปัญญาก็คือรูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันมีในภายในมีในภายนอกอย่าละเอียดเลวหรือประนีต รูปใดอยู่ใกลหรือใกล้รูปนั้นทั้งหมดย่อมเล่นไปโดยเร็วโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นอนัตตาอันนี้ก็หนึ่งชวนะปัญญาหรือว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็เล่นไปโดยความเป็นของ ไม่เที่ยงปัญญาเนี่ยเล่นไปเร็วโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเล่นไปในเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเพราันเราถนัดทวารไหนดีถ้าบอกวิญญาณมีหกใช่ไหมวิญญาณหกจากครูวิญญาณโสตวิญญาณคณะวิญญาณเชิวหาวิญญาณและมโนวิญญาณสัญญาเท่าไหร่สัญญาหก ถ้าวิญญาณเขาเรียกว่าจักขูวิญญาณเออเป็นวิญญาณที่อาศัยจักขู่ถ้าสัญญาเขาเรียกรูปประสัญญาก็เกิดที่เดียวกันนั่นแหละเอาอารมณ์มาเป็นชื่อถ้าเวทนาเกิดขึ้นตรงนั้นเขาเรียกว่าเวทนาที่เกิดจากจักขู่สัมผัสชาเวทนาเช่นนะอย่างในจักขู่วิญญาณเกิดขึ้นจักขูวิญญาณเกิดขึ้นประกอบไปด้วยผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาและชีวิตตินทรีย์วิญญาณเรียกว่าจักขูวิญญาณ ภาษาเรียกจักรคู่สัมผัสเวทนาเรียกว่าจักรคู่สัมผัสชาวเวทนาสัญญาตรงนั้นเรียกว่ารูปประสัญญาเจตนาเรียกว่ารูปประสัญเจตนาก็ที่เดียวนั่นแหละวิญญาณเหล่านี้นะจกักรคูวิญญาณเป็นอดีตไหมก็คือจกักรคูวิญญาณที่ผ่านไปแล้วเป็นอดีตจกักรคูวิญญาณข้างหน้าเป็นอนาคตกําลังเห็นเป็นปัจจุบันเราเห็นอยู่คนเดียวใช่ไหมอ่าแสดงว่ามีภายนอกด้วย คนอื่นเขาก็เห็นนั่นเราเนี่ยแหละดังั้นภายในภาย น, นอกหยาบละเอียดเลวประนิดคําว่าหยาบละเอียดนี่เมื่อเทียบกับอย่างอื่นเนะสมมุติถ้าจะขูวิญญาณที่เป็นอากุศลวิบากก็หยาบกว่าที่เป็นกุศลวิบากอันหยาบละเอียดต่างกันอากุศลวิบากใกล้ต่ออากุศลวิบากอากุศลวิบากกับกุศลวิบากไกลกันยังไงแล้วก็เทียบเคียงทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งหยาบละเอียดเลวปณะน สิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็คือมีแล้วก็หาไม่มีมีแล้วก็ห ม, มมวกหมดไปแต่เราต้องไม่ลืมนะว่าจากักรวิญญาณเกิดโดยประการใดปัจจัยที่ทำให้เกิดจกักรวิญญาณคืออะไรบ้างถ้าหากว่าผู้ใดกล่าว บ, บอกว่จกักรวิญญาณเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนั่นแหละก็ท่านนั่งดูชั่วโมงหนึ่งหม่มก็เกิดชั่วโมงเคยนั่งดูหนังไหม ดูโหเป็นชั่วโมงชั่วโมงกับพิบตาไม่กี่ครั้งเองนะก็ดูอยู่อย่างจากักรภูวิญญาณสืบเนื่องตลอดนะลองไฟดับดูสิโอ้โหเรื่องใหญ่เลยเพราะฉะพระองค์จึงไม่กล่าวว่าอ่าการพิจารณานั่น เ, เดี๋ยวมันก็ดับเองแต่พิจารณาเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยของจกักรภูวิญญาณ น, นั้นมากๆสช่ไหมอย่างเมื่อกี้กล่าวถึงเรื่องวิตกพระองค์น่าจะบอกว่าโอ้วิตกปทาทาถีติพังคะดับไม่กล่าวนะ แต่ว่าวิตกนั้นจะดับโดยการพิจารณาพิจารณาว่ามีโทษเมื่อเราพิจารณาว่าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนวิตกนั้นก็ดับไปคือระงับไปพิจารณาว่าวิตกอันนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นวิตกนี้ก็ระงับไปพิจารณาว่าวิตกนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายวิตกอันนั้นก็ระงับไปแสดงว่าระงับวิตกด้วยการพิจารณาทันถ้าบอกว่าจะละพวกนิวรนเป็นต้นละด้วย แต่ทางข้าประหารละด้วยวิขัมพนะนปะหารท่านไม่ค่อยกล่าวว่าโอ้มันเกิดดับท่านไม่ค่อยกล่าวลักษณะนี้ถ้าพูดถึงว่าจะพิจารณาจากขุมวิญญาณ น, นี่นะครับสมมุติว่าดูทีวีเนี่นะท่านอบอกว่ามันก็จากขุมวิญญาณมันก็เกิดดับนั่นแหละแต่ว่ามันสืบต่อกันในลักษณะที่เป็นสันตติใช่ไหมครับเจ่ค่ยเพราะฉะนั้นเนี่นะฮะการที่จะ มันทันทีไหมครับว่าระยะเวลามะให้เราพิจารณานี่นะหรือให้เป็นอารมณ์เราเนี่ยไม่ใช่เอเกระดับกระดับกระดับเล็กๆๆๆงั้นใช่ไหมไม่ใช่พระทาทีตีพังค่าใช่หมครับแต่ว่าถ้าอํานาจอะไรก็แล้วแต่ทําให้อารมณ์นั้นยังมีสืบต่อไปเรื่อยๆนี่เป็นอารมณ์ของการเจริญใช่ไหมครับเจริญพรเพราะในตรงนี้เราต้องสังเกตทั้งปัจจัยของจักขูวิญญาณนะถ้าจะเอาจริงในเรื่องของจักขูวิญญาณต้องเรื่องของสี ทำไมเราต้องเห็นอย่างนี้บ่อยจิตเห็นจึงเกิดขึ้นใช่ไหมเพราะสีนั้นมีถ้าปัจจัยของสีที่จะมีอยู 1, ่อย่างนี้พันปีก็อยู่อย่างนี้พันปีทีนี้ตาเราอะ่ะปัจจัยของตาปัจจัยของตาสมบูรณ์ไหมอ่ะแล้วแสงสว่างพอไหมถ้าจะดูบางอย่างนี่ต้องอาศัยแสงสว่างถ้าดูไกลๆบางอย่างดูภาพบางอย่างต้องอาศัยแสงสว่างถ้าแสงสว่างมากชัดมากแสงสว่างน้อยชัดน้อย สังเกตดูเวลาไปเดินที่ที่เดินอ่ะนะที่เดินเข้าอุเตะก็กลายเป็นที่เดินออกกําลังกายไปด้วยสังเกตดูเอ้ก็พื้นปูนอยู่นั่นแหละวันไหนแดดจ้าๆนะโอ้โหมองพื้นปูนเนี่ยแสงเนี่ยจ้าเลยบางทีนะสลัวสลัวเนี่ยมันออกมากลางคืนเนี่ยอ้สลัวสลัวเลยเห็นชัติว่าอนุภาพของแสงสว่างนั้นมีมากมายมหาศาลที่อื่นๆก็จะเหมือนกันอย่างในในห้องเราหรือที่ไหนก็ตามตรงนี้ก็เหมือนลองปิดไฟดูว่า ถ้าปิดไฟปุ๊บเนี่ยการเห็นจะไม่เกิดเลยการเห็นบางอย่างนะจะไม่เกิดเลยเพราะว่านี้ก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งของจักรคูวิญญาณแม้แต่จกกักรคูภาษ า, ถ, าถ้าหากว่าตาได้รับอาหารไม่ดีเนี่ยอาหารแลปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็อาจจะต้องหยุดดูต้องต้องต้องพักสายตาต้องพักสาย ต, ตาที่จะแม่เจนผ่านเพราะเราเห็นว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งที่เจนผ่านพ้นตา ก็เกิดด้วยปัจจัยสีก็ด้วยปัจจัยแสงสว่างก็ด้วยปัจจัยแล้วมณสิการเนี่ยเป็นตัวสําคัญส่วนหนึ่งที่ทําให้จิตเห็นเกิดถ้าไม่มณสิการนะคล้ายๆกับว่าเออลืมตาเนี่ยนะใครเอามือยังไม่เห็นเลยเอามือมาปัดข้างหน้ายังไม่เห็นเลยเออหลับหรือยังไม่รู้ก็เหมือนบางคนก็เห็นนะหลับลืมตาแปลกใจหลับได้ยังไงมันก็ลืมตาอย่างนั้นแต่ก็หลับนะกรนด้วยเออบางคนเนี่ยเป็นอย่างงั้นเลย ลืมตาแป๊วนี่ยแหละแต่หลับไปแล้วแต่ว่าจิตเห็นเนี่ยนะส่วนหนึ่งทําไมคนจึงเห็นไม่เหมือนกันนั่นแหละกรรมแตกต่างกันนั่นมาจากกรรมที่แตกต่างกันการเห็นเหล่านี้เนี่ยนะถ้าไม่มีกรรมมัศกตาเข้ามาด้วยจะไม่เกิดประโยชน์นะอันความชัดเจนในเรื่องกรรมมศกตามากๆขึ้นเพราะถ้าเข้าใจกรรมมศกตามากขึ้นเพิ่บเราจะไม่ปล่อยให้จิตที่คิดเรื่องนี้เนี่ย เป็นอกุศลวิตกได้ง่ายๆเราจะไม่ปล่อยให้สภาพจิตเนี่ยเป็นอกุศลหมอมจะเห็นโทษนี่ถ้าเราปล่อยให้ความคิดอันนี้เป็นอกุศลเนี่ยมีโทษไหมเมื่อมีโทษเนี่ยใครจะไปรับผลล่ะคะนี้ท่านทั้งหลายถ้าท่านกลัวต่อทุกข์ท่านจะได้ทําชั่วมาถ้าท่านทําชั่วนะอยู่บนท้องฟา้ามหาสมุทรอยู่ท่ามกลางทะเลอยู่บนอากาศก็ไม่พ้นจากความทุกข์ทั้นถ้าหากว่าเราปล่อยให้จิตเป็นบาศ เป็นไปกับอารมณ์เหล่านี้เรานั่นแหละคือศัตรูของเราเองไม่มีใครในโลกนี้ทำทุกข์ให้แกเราได้นอกจากจิตอันนี้าโลกเป็นไปตามธรรมชาติอย่างหนึ่งคือจิตอันนั้นพอเราเห็นโทษของการปล่อยให้จิตเป็นบาปเป็นอกุศลมากๆ ก, ก็จะเจริญสัมมาปทานเป็นต้นเจริญสัมมาปฏานโอ้นี่เราปล่อยชีวิตให้แต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยผ่านไปได้ยังไงใช่ไหมสมมติว่าเอ๊ เราจะมานั่งกับพริบตาเป็นชั่วโมงชั่วโมงโดยที่ไม่พิจารณานี้เลยหรือมันก็เห็นตลอดใช่ไหมการเห็นเนี่ยมีเฉพาะจากขูวิญญาณใช่ไหมจิตอื่นๆรู้ตามไหมจิตอื่นๆรู้ตามจากขูวิญญาณไหมสัมปติชนะสันติรณะวุฒาชนะนาชาวชนะมโนทวานวิถีก็เป็นจิตที่รู้ตามจากขูวิญญาณอีกนั่นแหละอันนั้นเป็นชาวชน ะ, อ, ะอันนั้นเป็นชาวนะเราจะปล่อยตามยถากรรมไหมความคิดเรา มันจะไปตามยถากรรมจริงๆนะกรรมไหนอ่ะคันนี้เจนพอเพราะฉะนั้นอริยมรรคมีองแปดนะจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ที่ชาวนะนั่นแหละหลันถ้าหากว่าผู้ที่เห็นคุณค่าปั๊บจะเห็นดันดีเลยว่าสีควรกำหนดรู้ควรพิจารณาจิตเห็นควรพิจารณาจักรวัตถุควรพิจารณาเรื่องกรรมที่เป็นปัจจัยก็ควรพิจารณาแสงสว่างก็ควรพิจารณา จิตที่รับอารมณ์ต่อจากจากักรคูวิญญาณก็ควรพิจารณาหรือปริญญานั่นเองแต่กุศลจิตอันนั้นควรเจริญกุศลจิตขณะนั้นเนี่ยควรเจริญเพื่อมารอบรู้สิ่งเหล่านี้เสร็จแล้วกุศลจิตอันนั้นเป็นโลกิยมัตั้งแต่การเพ่งลักษณะนี้บ่อยๆเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็จะเกิดขึ้นอย่างถึงกรรมและผลของกรรมเราจะไม่ปล่อยให้ความคิดเราไหลไปเรื่อยเฉยเลย เราจะเริ่มเห็นคุณค่าของชีวิตของเราแต่ละขณะแต่ละขณะสมมุติถ้าเรานั่งรถโอระยะทางหนึ่งหนึ่งร้อยกิโลเมตรเนี่ยโอ้นี่เราจะไม่ปล่อยไอ้จิตเห็นให้ไปเห็นสเปะสปะปล่อยความคิดให้เห็นสเปะสปะเลยหรือ <c oughs> อพวงมาลัยลองหมุนสเปะสปะดูดิ <c oughs> ความคิดนะมันมีโทษร้ายแรงกว่าปล่อยพวงมาลัยสเปะสปะอีกแต่สัตว์ทั้งหลายไม่คํานึงคือไม่รู้ว่าอะไรเป็นสาระไม่ใช่สาระ ถ้าหากว่าเราไม่ตื่นตัวนะการพิจารณานี้เนี่ยธรรมะที่ที่จะมาประทับใจอยู่คำหนึ่งก็คือตื่นตัวมากมันไม่ใช่เคลิมไม่ใช่หลับไหลไม่ใช่ไม่ใช่อย่างอื่นเลยนะเบอร์ก็ไม่ใช่ตื่นตัวมากเลยคือคือสังเกตดูนะคือมันที่ผ่านมามันไปนั่งสงกมันเยอะอ่ะเอ๊มันพิจารณาอันนี้มันไม่ใช่อะ่ะมันเป็นเรื่องของการตื่นตัวในการพินิษนะนี้ยกตวานตามาหูก็เหมือนกะัน จมูกลิ้นทวารกายเหมือนกันมันต้องตื่นตัวมากในการตื่นตัวนั้นเรียกว่าชาคริยานุยโย่เันต้องตื่นตัวแล้วการตื่นตัวนั้นถ้าเราสามารถที่จะถ้ามันมันไม่ตื่นทําไงถ้ามันอยากหลับอ่ะทําไงคือหมายความว่ามันเบื่อแล้วโอ้มันสังเวชวัตถุต้องดึงเข้ามาถ้าเราไม่ไม่ให้ความคิดหรือไม่ให้กุศ ล, ลจิตประเภทนี้เกิด น, นะ ชีวิตของคนนั้นนี่เงี้ยที่สุดเลยอ่าบางองค์นะพระพระบางรูปเนี่ยนะความคิดเหล่านี้ไม่เกิดท่านทุกที่สุดในโลกอะ่ะคือแม้แต่ธรรมดานะคนทั่วไปเขาบอกเออสนุกแต่ท่านเนี่ยทุกแล้วเครียดถ้าความคิดนี้ไม่เกิดเนี่ยทุกเขาบอกว่าถ้าปฏิบัติถูกทางระดับหนึ่งนะถ้ากุศลไม่เกิดอยู่เป็นทุกถ้าปฏิบัติผิดอยู่เฉยเฉสนุกมันเป็นอย่างนั้นมันมันจะต่างกัน เพราถ้าหากว่าเรามีความเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บนะถ้ามันไม่ตื่นตัวสังเวชวัตถุต้องเกิดอบายพ้นหรื อ, อยังพระสมัยก่อนท่านบอกกันเอ้ยอบายสี่เนี่ยก็เหมือนบ้านเราอ่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเดินทางตรงนี้ไม่พ้นกลับบ้านเก่าแน่สังเวชวัตถกุก็คือพิจารณาถึงอบายสี่นรกเนี่ยพ้นหรื อ, อยังใช่ไหมหลวงพ่อพระเทวทัศน์เนี่ยเรามีธุระไปเยี่ยมท่านไหม เปรตที่อดอยากหิวโหยปลาในมหาสมุทรมีเท่าไหร่เราเปอร์เซ็นต์มีไหมที่จะไปวัดอยู่ในท้องมันแมลงมีกี่ตัวที่อยู่ว่นเราพ้นไหมที่จะไปเกิดเป็นไข่แมลงเหล่านั้นยุงมีกี่ตัวพ้นจากความเป็นยุงไหมหมูมีกี่เล้ามีอยู่กี่ฟาร์มเราจะไปเป็นหมูตัวไหนดีไก่มีอยู่กี่ฟาร์มอย่างเงี้ยปลามีอยู่กี่ตัวในน้าแต่ละแห่งแต่ละแห่ง ไก่มีอยู่กี่ฟาร์มเราเปอร์เซนเหล่านั้นมีหมดชาวชนบทประเภทลัท ธ, ธิมิจฉาทิฐิต่างๆเหล่านั้นเราก็ยังไม่พ้นจากสภาพเหล่านั้นเลยอันอบายสีเป็นเป็นทุกที่ที่เรายังไม่พน้นแล้ววัตะุทุกในอดีตสังสารวัตที่เวียนว่ายตายเกิดเนี่ยกระดูกของเราแค่กลับเดียวก็มากกว่าภูเขาเวปุระวันพฤษ น้ำตาในสังสารวัตรก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรน้ำนมของแม่ที่ดื่มกินเข้าไปนี่ก็มากมายมหาศาลนล้เลือดเลือดของเราเนี่ยนะที่สูญเสียไปในภพชาติต่างๆเกิดเป็นสุกรเกิดเป็นโคเป็นกระเบือต่างๆทุกข์เขาฆ่าเขาทิ้มเขาแทงเนี่ยเลือดมากกว่าน้ำทะเลมหาสมุทรอีกวัตถุทุกในอดีตเนี่ยมันทุกข์ขนาดที่ผ่านมาจะว่า ชาติอดีตหรืชาตินี้เถอะลองไล่นั่งนึกหาความสุขดูที่ตรงไหนที่เราสุขที่สุดไอ้ที่เหลือก็คือทุกบริสุทธิ์เลยเหลือแต่ความทุกข์อยู่ล้วนๆเลยแล้วความทุกข์อันนี้ข้างหน้าวันต่อๆไปของเราอะไรมีอีกมัง่งวันต่อๆไปจากนี้ไปอีกวันตายเราจะทุกอะไรอีกมัง่งแล้วถ้ายังยังมีวัตตะอยู่อย่างนี้ชาติหน้าเกิดเป็นอะไรถ้าลองไปเกิดเป็นกรรมกรดู แบกข้าวสารวันละ100ร้อยกัสอบดูแล้วต้องแบกอย่างนี้เป็นหลายๆสิบปีคุณต้องแบกข้าวสารกี่กัสอบสมมตุติวันละร้อยลูกลูกละร้อยกิโลกรัมก็คูณคูณร้อยเข้าไปเท่าไรทำอย่างนี้สิบปีจะแบกกี่ตันแบกมากมายมหาศาลถ้าหากว่าเป็นกรรมกรหน้าโม่ปูนโม่ปูนวันละละห ล, ลายสิบลูกอ่ะตักหินตักายอยู่นั่นแหละ <laughs> ถามโรคภยัยไข้ เ, ขเจ็บแต่และอย่างนะ ไล่เลยจากผู้โรคโคโซตะโรคโคคานะโรคโคกันนะโรคโว่าโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคร่างกายโรคฟันโรคผิวหนังโรคกลากโรคเลื่อนโรคตับโรคไตโรคไส้โรคปอดโรคเอ็นโรคกระดูกม้ามโรคตับโรคไตโรคสารพัดสารพันที่มีแล้วไอร่างกายที่เป็นเหมือนโรคเหมือนหัวฝีเนี่ยนะเลี้ยงมันวันละกี่รอบหาข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงมันแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวัน กับข้าวเพื่อจะทานมื er to to to to ้อหนึ่งนะหั no, ่นผักไปกี่นาทีนะกว่าจะหั่นกว่าจะประกอบกว่าจะอะไรเสร็จเนี่ยนะเอามาเน้นึกชมพวกแม่ครัวนอขยันจริงจริงทำไอเรานี่ฉันยังยังเบื่อเลยอาจจะว่าบอกตรงๆรเลยฉันยังขี้เกียจเลยนะคือไมายคว่ามันซ้ำซากมันไม่เลิกไม่ละไอของเขาเนี่ยโอ้ชาวเดี๋ยวก็ผัดปั๊บปับดังงแม่งบ่งแมบงแมงอะล้เดี๋ยวกว่าจะทานเสร็จเก็บลางอ่าหมดเวลาจะเที่ยงอีกแล้วเอาไมแล้วบงแม่งบ่งม่งบ่งมกว่าจะเก็บก็เก็บ ความล้างเยนอกบางคนมีพิเศษอีกผิดเวลาผมวันหนึ่งกี่รอบสี่ห้ารอบเข้าไปอาทิตย์หนึ่งกี่ครั้งอ่ะคูณเข้าไปดิเดือนหนึ่งกี่ครั้งอ่ะปีหนึ่งกี่ครั้งอ่ะแล้วสิบปีมันกี่ครั้งแล้วทั้งชาติแล้วถามว่าในขณะที่ทํานั้นๆเนี่ยมีจิตด้วยไหมจิตเป็นกุศลหรืออกุศลใ ช, ใช่ไหมที่จะทําเพื่อให้ทานเป็นต้นก็เป็นกุศลมีกี่ครั้งอ่ะ ที่มีความคิดแบบนั้นไอ้ที่เหลือบาปบริสุทธิ์เลยไอ้ที่เหลือเป็นอากุศลเจตนาใช่ไหมแล้วชีวิตไม่ใช่แค่พบนี้พบเดียวลักษณะการสมมตินนะเกี่ยวกับเรื่องการประกอบอาหารสภาพจิตที่เป็นไปกับอากุศลเราเพิ่งประกอบอาหารแกชาตินี้หรือแล้วอดีตชาติที่เคยประกอบอาหารที่เป็นไปด้วยอากุศลแบบนี้บาปประเภทนั้นจะเอาไปทิ้งไว้ที่ไหน แล้วข้างหน้าต่อไปที่เราจะต้องทำด้วยจิตแบบนี้แบบนี้อีกเนี่ยในพบต่อต่อไปอีกเนี่ยความคิดลักษณะนี้จะเกิดยังไงแล้วจะเห็นว่าสัตว์ในอบายมีมากจริงๆทำไมสัตว์ในอบายจึงมากเพราะเกิดจากการสะสมโมหะเกิดจากการสะสมอวิชชาที่ไม่พอกพูนสติปัญญาในขณะนั้นๆที่เราโครจรไปชีวิตของเราที่ยืนเดินนั่งนอนโดยการที่ปล่อยจิต ไม่ให้เป็นกุศลหรือไม่เจริญกุศลในขณะนั้ น, น, นปล่อยจิตแต่ละขณะแต่ละขณะผ่านไปด้วยความบันเทิงนะพระ อ, องค์ยังบอกว่าจะมัวเรื่อนเริงบันเทิงอะไรกันอยู่หนอ <c oughs> เมื่อโลกอันไฟลุกโผล่อยู่เป็นนิดความมืดเนี่ยปกคลุมอยู่ทําไมไม่แสวงหาปฐพีอวิชานี่มันห่อหุ้มอยู่ตลอดเวลาทั้งเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนมันไม่เคยสังเวชใจเลยเนะี่ยทีนี้อ่ามาพิจารณาเรื่องทางตาเนี่ยขอสมควรนึกถึงพระสูตรเลยนะ ตาสีจกักรคูวิญญาณประชุมสามอย่างเป็นภาษเพราะภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานพบเจตนาที่เกิดในชาวนะนั่นแหละเรียกว่าพบทีนี้ ว, นวันวันหนึ่งเนี่ยนะเราสร้างพบนั้นน่ะเท่าไหร่ในทางตาเนี่ยพอ ว, วันวันหนึ่งตั้งแต่เช้าจนหลับอะ่ะใช้ตาเกือบตลอดเลยสภาพเจตนาที่เป็นไปทางตาเนี่ยมากมายมหาศาลอ่ะแล้วเจตนาเหล่านี้เนี่ย เป็นกุศลหรืออกุศลก็คิดนั่นเป็นสังขารหรือเป็นภพต่อไปแล้วทีนี้อีกในขณะเดียวกันเนี่ยตาสีจิตเห็นจกักรวิญญาณจากักรสัมผัสเวทนาเป็นต้นเนี่ยเป็นสัจจะข้อไหนทุกขสัจอวิชาคืออะไรความไม่รู้ในทุกขสัจไม่รู้ในสมุทยัยสัจแล้วถามว่าวันวันหนึ่งเราเคยเห็นสัจจะเหล่านี้ไหมถ้าไม่เห็นที่เหลืออวิชาหมดเลย โหมันสะสมอาวิชานี่มากมายขนาดไหนโอ้โหสังเวชใจเลยนะมองเห็นโอ้โหอวิชาเรามากขนาดนี้เลยเหรอเมื่อก่อนเราก็นึกว่าอะไรก็รู้หมดนะใครจะพูดเรื่องอะไรเราก็พอ่นึกออกนะกิเลสมันได้ช่องเลยเนี่ทีนี้พอมาม า, ม า, า, าค่อยๆคิดอย่างงี้เข้าเอ๊ะนี่ถ้ามองเห็นนาฬิกาปั๊บนะถ้าไม่พิจารณาเรื่องนี้อวิชาไปกินอีกแล้วถ้าจิตไม่เป็นไปกับกุศลที่เหลืออวิชาตลอดเลยอวิชาเนี่ยเป็นไปทางตาเนี่ยมาก แล้วหูเราต้องได้ยินเนี่ยทั้งวันเลยอะถ้าไม่เพ่งเรื่องราวเหล่านี้อวิชา ก, กว่าที่ละหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยโอ้ยหอมใช้สบู่หมแกลิ่นหอมนี่แล้วกันลืมปั จ, จเจกลืมพิจารณาเป็นธาตุเป็นอะไรอีกแล้วเลย อ, อวิชาโอ้กลิ่นนี่ดีตันหาเกิดขึ้นก่อพบใหม่ตัวความยินดีในอารมณ์นั้นนั้นเป็นตัวก่อพบใหม่เฮ้เราไม่เคยคิดเลยวเอ๊ะความเพลินในอารมณ์เหล่านี้เป็นตัวก่อพบใหม่ ไม่ค่อยคิดเลยอ่เพิ่งมาสังเวทใจไม่นานมานี้เองโอ้พระพุทธเจ้าทําไมพระองค์เก่งเหลือเกินไอความเพลินในอารมณ์นั้นๆเนี่ยเป็นตัวก่อพบใหม่ซึ่งเราไม่เคยเห็นโทษเลยหมูสัตว์ทั่วไปนะสนับสนุนทํำยังไงคนจะได้เพลินในอารมณ์นั้นๆแต่คําสอนของพระผู้มีพระภาค บ, บอกไอความเพลิดเพลินอันนั้นเนี่ยเป็นตัวก่อพบใหม่จึงเห็นโอ้โหพระองค์นี่เกือบไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีคนสอนแบบนี้อะ่ะ สอนว่าไอ้ความเพลิดเพลินเนี่ยคือต้นตอแห่งวัตทุกข์ต้นตอแห่งสังสารทุกข์ต้นตอแห่งชาติชราพยาธิมรณะทั้งหมดเลยคือความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นนั้นอ่าเป็นปกะตูเพื่อปฏิสนธิต่อไปเพราะไอ้ความเพลิดเพลินอันนี้เนี่ยเป็นตัวไปดึงไปดึงเจตนาเพื่อ น, นําเกิดในภพต่อไปฉะนั้นความเพลิดเพลินอันนี้จึงเป็นเหมือนกับแม่ พาให้สัตว์ปฏิสนธิในภพต่อๆไปตัญหาวิชาอุปาทานพวกนี้เป็นเหมือนแม่กรรมเนี่ยเหมือนกับพ่อสองอย่างประจวบ ก, กันเข้าเกิดอีกแล้วเพราะฉะนั้นการเกิดของเราเนี่ยนะสมมุติถ้าเราจะพิจารณาเรื่องจุติจิตต่อเนี่ยจุติจิตเนี่ยจะต่อเกิดจากภวารไหนได้บ้างทางตาเนี่ยถ้าจุติจิตจะเกิดทางตาปั๊บเนี่ยจะขุวิญ ญ, ญาณ สัมปติชนะสันติระนาโวทัพพระเนชวนะห้าดวงจตุติต่อได้เลยหรือตถารมมะเสร็จแลจ้วจุติต่อได้เลยหรือพวังขั้นอีกหน่อยจุติต่ตอได้เลยทั้งหูเหมือนกันจตุติต่อจากชาวนะก็ได้ต่อจากตถารมมะก็ได้ต่อจากพวังก็ได้จมูกลิ้นกายใจโอ้โหแต่ละทวารเนี่ยจุติเกิดขั้นได้หมดเลยของเามายัางนึ่งไหนแต่เราแสดังทำอยู่นะมันทักขึ้นบินมันตกมาโครมต ก, ตกตรงคนเดียวพะนะไอดีแน่เลยอ่ะ คนเรไปคนเดียวอเอาเดี๋ยวคนอื่นเขายังไม่อยากไปใช่ไหมเดี๋ยวว่าชักชวนยินดีในการตายไม่ดีเป็นประราชิกเลยไมดีอะ oh. ไรเขาบอกไม่ให้ชักชวนในการตายนะไม่ให้ภาลนาคุณแห่งความตายไม่ได้ไนะเป็นอาบัติถ้าเขาไปเกิดฆ่าตัวตายเลยประราชิกเลยนะไม่ได้เขาไม่ให้ยกย่องคุณแห่งความตายไม่ให้ครูภรลานาคุณแห่งความตายเหมงอนันอันหนึ่งที่สุดายพรากกายมนุษย์จากชีวิตนะหรือแสวงหาสาสตราอันจะนาเสียให้แก่ชีวิต หรือพลนาคุณแห่งความตายด้วยชักชวนว่าเนี่ยนายผู้เป็นชายมีประโยชน์อะไรแก่ท่านด้วยชีวิตอันชั่วนี้ท่านตายเสียดีกว่าเป็นอยู่ดังนี้เธอมีจิตใจมีจิตดํางเรศอย่างนี้พลนาคุณแห่งความตายก็ดีชักชวนเพื่ออันตายก็ดีโดยหลายนายแม้พิสูจนนี้ก็เป็นปาราชชกหาสังวาิไม่ได้จึงไม่ให้ชมเรื่องความตายสัตว์ทั้งหลายก็มาด้วยบุญของเขาอ่ะเราก็ไปด้วยกรรมของเราอ่ะใช่ไหม เราไปด้วยกรรมของเราเอ๊ะกรรมไหนที่จะไปดีบ้างอ่ะจะไหมเดี๋ยวมันบอกว่าให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้แอบท่านอะไปดีหรือยังอย่างเงี้ยเดี๋ยวแย่เลย mm. เพราะเราต้องเจริญกุศลไม่ปล่อยให้ความคิดไหลไป mm. อ่าตั้งแต่ศึกษาในลักษณะนี้นะจะรู้ว่าวิถีชีวิตของของการศึกษาปฏิบัติธรรมกับไม่ได้ศึกษาเนี่มันห่างกันมาก mm. เมื่อก่อนเนี่ยเราจะปล่อยชีวิตแบบผ่านไปผ่านไปซูนวางอย่าง ไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งหนึ่งก็ขึ้นดอยอินทนนท์ก็ดูชมนกชมไม้เราไม่เห็นสนุกอะไรเลยถ้ามาปฏิสนธที่ตรงนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นไปชื่นชมดูต้นไม้ใบหญ้าอย่างโ น, น้นอย่างนี้ไอ้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นเราก็พบใหม่ทั้งนั้นเลยมัน ช, ชักไม่สนุกละไฟมันจะไหม้บนมทิษะอยู่เรื่อยเรื่อยเรื่อยแต่ถามว่าความคิดนี้ควรเจริญหพระองค์บอกว่าสอนให้เจริญสัพพะโลเกอณธีรตาสัญญา โลกทั้งปวงไม่น่ายินดีไม่น่ายินดีสักอย่างแม้แต่ความคิดอันนั้นก็ไม่น่ายินดีด้วยเดี๋ยวไปยินดีในความคิดอันนั้นอีกก็ไม่ไหวนะแม้แต่ความคิดอันนั้นก็ไม่น่ายินดีความคิดนี้ก็เกิดด้วยปัจจัยทําไมความคิดนี้จึงเกิดขึ้นเสร็จแล้วถ้าจะวิเคราะห์ต่อไปว่าถ้าความคิดอันนี้เกิดมีประโยชน์อะไรบ้างถ้าความคิดนี้ไม่เกิดสูญเสียประโยชน์อะไรบ้างถ้าไม่เห็นโทษในวัตตาหรือว่า ภัยของการไม่เห็นภัยในวัฏฏะจะมีอะไรต่อไปวิบากของการยินดีในวัฏฏะคืออะไรต่อไปนี้ถ้าเรามองแค่ชีวิตเราเราอาจจะมองไม่ออกไอจอมปลวกแต่ละจอมปลวกนะช่วงต้นหู้เวลาฝนตกนะ่ะมันบินขึ้นเหมือนกับเฮลิคอปเตอ ร, ตอร์มันขึ้นกันหอกปูดเป็นชั่วโมงชั่วโมงอะ่ะถามว่ามันกี่พันตัวบินขึ้นแต่ละจอมปลวกเนี่ยโอ้มากมายมหาศาลโอ้อบายนี่มีมากมายมหาศาลเลยนะ เราจะเพลดิดเพลินเราจะเพลดแล้วชีวิตที่เราเป็นอยู่เนี่ยเป็นวิบากกรรมมาชรูปใช่ไหมที่อยู่ทุกวันได้เนี่ยตัว ท, ที่ทรงอยู่คือวิบากและกรรมชรูปถามว่ากรรมชรูปที่จะให้เป็นอยู่ลักษณะนี้ทรงไว้เนี่ยสภาพลักษณะแบบนี้อยู่อีกนานไหมจากคูวัตถุของเราหรือตาของเราที่จะให้ทรงสภาพนี้อยู่อีกนานเท่าไหร่ถ้าตาบอดนะโลกของการศึกษาพระธรรมก็ลดไปอีกเยอะถ้าหูหนวกโลกของการศึกษาพระธรรมก็ลดไปเยอะ นะถ้า ส, สุขภาพส่วนอื่นๆไม่ดีทั้งแขนทั้งขาทั้งอวัยวะตัดไตเครื่องในไตปอดเนี่ยต่างๆเราเนี่ยไไตแต่ละตัวแต่ละตัวมันมีการเสื่อมคุณภาพของเขานะแล้วสิ่งเหล่านี้สมัยนี้นะรูปเหล่านี้เนี่ยเกิดด้วยกรรมจิตอุตุและอาหารแล้วอาหารสมัยนี้เลยเราทานอะไรเข้าไปแน่นะว่าทานสิ่งที่มีคุณค่าในขณะเดียวกันอาจจะทานยาพิษเข้าไปก็ได้ันะถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้ในเรื่องของโภชนาการเนี่ยไม่แน่ อาหารที่เราชอบนั่นแหละคื อ, อยาพิษทั้งนั้นเลยนั้นอาหารชรูปก็มีพิษมีภายแล้วจิตใจของเราวันวั น, วนหนึ่งอะไรเกิดมากกุศลหรืออกุศลมันเกิดมากถ้าอากุศลมันเกิดมากแล้วบาป พ, พวกนี้จะไปเก็บไว้ที่ไหนเนาะทีนี้ถ้าเราไม่พิจารณาปุ๊บเนี่ยนะเราก็จะลําบากเราเนี่ยจะเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดเลยในชีวิตของเราถ้ายิ่งยิ่งตอนนี้นะข่าวเรื่องจุติจจิตมันเกิดบ่อยมากตายทิง้งมาหมู่ อยู่เฉยๆเนี่ยไม่น่าตายมงนกว่าตายเสียอันธะนั่งอยู่เฉยๆ ย, ยังขาดเลยนี่สันตตองอ่ะนะพระพุทธรูปยังคอหลุดเลยพระเสียนยังกิ่งไปเลยอก็พระ อ, องค์นั่งอยู่เฉยๆกย็ยังยังยังหลุดอ่ะแล้วพวกเรานั่งอยู่อย่างนี้อที่ขับรถที่บ้านอุโมงค์อ่ะเครื่องบินก็ตกในน้ําตรงนั้นน่ะถ้ามันตกข้างๆกุฏิจะว่าไงมีอะไรแน่สักอย่างโลกนี้เอา คือโลกนี้นะมันไม่มีอะไรแน่สักอย่างพระ อ, องค์เนี่ยสอนให้ให้พิจารณามรณาสุสติถ้าเป็นสมัยก่อนนะว่าปัจจัยของความตายนี่มีมากอย่างหนึ่งนะงูเงี้ยวเขี้ยวเสือเนี่ยเราก็ยังไม่พ้นสมัยก่อนป่าดงพงไพรใช่ไหมสมัยนี้นะงูเงี้ยวเขี้ยวเสือนี่มันไม่น่ากลัวเท่าไอรถที่มันวิ่งร้อยยี่สิบร้อยสามสิบนั่นแหละรถที่มันวิ่งร้อยยี่สิบสามสิบนั่นแหละน่ากลัวกว่างูอกีกไม่รู้กี่ปีจะได้ข่าวว่างูกัดคนตายยิง แต่ว่ารถชนกันตายนี่มันในข่าวกับทุกวันมีอยู่ครั้งหนึ่งนั่งรถจากอุบลอ่ะที่ที่ว่านั่งรถจากอุบลประมาณตีสี่และวตีห้าอยู่แถวกระ บ, บินบุรีทีนี้ตอนหลังก็เข้าเขตพนมสา ร, รคามอ่ะตรงโคง้งตรงเขาหินซ้อนเลยเขาหินซ้อนมาระยะหนึ่งทีนี้วันนั้นเน่ยฝนตกด้วยทีนี้เรามากับรถกู้ภัยพอดีเลยบ้านโยมแถวนั้นเขาเขาทํางานกู้ภัยกันทีนี้มาก็ คนเนี่ยไทยมุงเป้ไปหมดเลยมาก็ลงไปกู้ภัยนี่ก็ลงไปช่วยเพราะมันเขตเขาพอดีเลยเสร็จ แ, แล้วเราก็ลงไปนะมันสมองเนี่ยนะตกแผลอยู่เทา่าๆกลิ่นละคาวคลุ้งไปหมดเลยนะเด็กคนหนึ่งเนี่ยกระเด็นไปตกทั้งนน้นตกไกลามากอันนี้รถรถกระบะเนี่ยนะหลังคาเนี่ยหลุดไปหมดเลยหลังคาเนี่ยหลุดไปหมดเกลี้ยงเลย่าคนพิจิตรคนคนพิจิตรเขาไปซื้อของที่อารัน เพื่อที่จะมาขายที่กรุงเทพระหว่างตีสี่เนี่ยรถพ่วงมันก็แซงกันมาพอดีเลยมันก็ใยเข้าไปตายเยอะเหมือนกันบาดเจ็บก็ไม่น้อยที่สังเวชใจมากก็คือมันสมองเนี่ยมันตกอยู่ตรงนั้นพอดียข่าวคลุ้งไปหมดเลยนี่เราก็ต้องไปยืนดูกับเขาโอ้ได้สังเวชใจเหมือนกันทั้งเหตุปัจจัยแห่งจุตินี่มีมากเหลือเกินถึงเราจะคิดหรือไม่คิดยังไงไปแน่ไปไหนแล้วครั้นี้ สแสวงหาพบใหม่สัตว์ทั้งหลายเรียกว่าสัมภเวสีถ้ายังไม่เป็นผ้าอรหันเนี่ยก็ยังเรียกว่าสัมภเวสีสแสวงหาพบใหม่อยู่ตลอดเราคิดว่าเอ๊ะฉันไม่ได้สแสวงหาพบใหม่นะแต่เจตนาของคุณนั่นแหละตัวนั้นเป็นตัวหาพบใหม่อยู่รู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามเจตนาเนั่นแหละคือตัวสแสวงหาพบใหม่ทีนี้เป็นไปตามธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งคือตันหาไปดีหรือไม่ดี พบต่ำหรือพบสูงก็แล้วแต่ตัญหาตัญหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดพบพบมีกี่อย่างกรรมมาพบกับอุปัติภพกรรมมาพบมีกี่อย่างมีสามอย่างกรรมมาพบรูปประพบอารูปประพบแล้วของเราเนี่อยู่พบไหนกามมาพบฌานก็ไม่ได้รู ป, ปรอรรูปก็ตัดทิ้งไปก่อนก็เหลือแต่กามกรรมนี่มีอยู่ยี่สิบดวง อกุศลสิบสองหมาคุศลแปดยี่สิบพอดีเลยเป๊ะเลยเหมือนบวกไว้ก่อนนะนะแล้วสิบสองกับแปดเนี่ยฟังหนูแล้วอะสิบสอ ง, งมันก็เยอะกว่าแปดเยอะเลยนะแล้วมันเกิดบ่อยอีกซะด้วย <c oughs> ขณะไหนบ้างที่กุศลและจิตเราเกิดถ้าถ้าถ้าคนที่ศึกษาพระธรรมนะก็ค่อยเอาเรื่องอริยศสตร์อากุศลกุศลคือเอาทานศีลภาวนา ม, มาสงเคราะห์ลงในชีวิตของเรานะจะเห็นว่าสภาพจิตของเราเป็นไปกับอกุศลมากมายมหาศาล เพันไม่รู้อ่ะจะเดินจากตรงนี้เราจะไปไหนต่อพระอาจารย์รูปหนึ่งท่านกล่าวว่าคนแก้ปัญหาด้วยการสร้างปัญหาคือท่านเล่า ว, ว่าคนทั่วไปเวลาทำงานนี้ก็ด้วยโทสะใช่ไหยเครียดไปตากอากาศเพื่อให้มันเกิดโลภะแล้วกลับมาเกิดโทสะต่อท่านก็เล่าว่าอุประมาณว่าไอ้โทสะเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นความร้อนอ่ะนะร้อนเสร็จก็ไปลงน้าโคนโลภะก็เหมือนกับน้าโครน ต่ขึ้นมาเข้าสู่ความร้อนอีกเพราะว่าเขาเนืกว่าลงไปอาบฉันคิดว่าเออการไปผ่อนคลายเหล่านั้นคือการแก้ปัญหาที่ไหนได้นั่นแหละคือไปสร้างปัญหากลับมาใหม่เฟันในขณะที่ไปตากอากาศนะน้อยคนนักที่ไม่ล่วงทุจริตกรรมด้วยผู้ชายทั่วไปสุราก็จะเข้ามาและยังอื่นมันไม่อยู่แค่เล่าหรอกมุสาวาศเนี่ยโหนั่งคุยเรื่องจริงคุยได้ไม่นานหรอกเชื่อ เว้นไว้แต่เรียนธรรมะมาเยอะๆจะคุยได้นานหน่อยที่เหลือมูสาเกิดทั้งนั้นนั่งโกหกสัมผัสปลาปะซอเสียดปิสุนาวาจาพุทธวาจาโอ้ยแมลงเอ้ยพวกสัตว์เดรัจฉานอยู่แถวนั้นเต็มไปหมดเลยนะทั้งตัวเงินตัวทองอะไรอยู่แถวนั้นนักก็ไม่รู้ในแถวๆวงเล่าวงทุราเพ้าะนบัพอคุศลมันเกิดมากมายมหาศาลเสร็จแล้วก็กลับมาเกิดโทสะต่อนัอ้นชีวิตก็เป็นไปอยู่ในลักษณะนี้ตลอดเพราะนั้น จากโยมผู้การกล่าวอย่างนี้ทําให้เห็นมากถ้าไม่มีสารณะคนไม่มีสารณะจะเป็นอย่างนั้นคิดจะทําอย่างหนึ่งไพร่ไปได้อีกอย่างหนึ่งคิดจะสบายอีกอย่างหนึ่งไพร่ไปเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่เชื่อไหมว่ากุศ ล, ลจิตเกิดขึ้นเนี่ยเป็นการพักผ่อนดีที่สุดทํายังไงกุศลจิตจึงจะเกิดขึ้นปัจจัยอะไรที่จะเป็นปัจจัยให้เรากุศ ล, ลจิตเกิดขึ้นและอย่างหนึง่งถ้าเรามีกรรมสักตาดีอกุสนี่ให้ผลเป็นทุกข์ใช่ไหม ถ้าเราปล่อยให้จิตไปเป็นอกุศลแสดงว่าเราแสวงหาความทุกข์ให้แก่ชีวิตของเราตลอดเลยเราสร้างเหตุแห่งความทุกข์ให้ตัวเองตลอดเลยจริงนะขอมธรรมานี้คิดอย่างนั้นจริงๆว่าเฮ้นี่ถ้าหากว่าเราไปปล่อยให้จิตเป็นบาปเนี่ยเสร็จแล้วต่อไปจะบ่นนะว่าอากุศลมันให้ผลเพราะเรายินดีในอกุศลเพราะผู้ใด ย, ยังยินดีในทุกผู้นั้นก็จะไม่พ้นจากทุกข์ถ้าใจยินดีในบาปถ้าใจยินดีในบาปอะไรจะเกิดขึ้น กรรมมันมีผลนะ่ะเมื่อก ร, รัมมันมีผลเนะี่ยจะทำยังไงเมื่อก ร, รัมมีผลปั๊บนะนอกจากเจริญสติปัฏฐานเป็นต้นเป็นไปเพื่อพ้นกัม <c oughs> เจริญสติปัฏฐานสี่สัมมปัฏฐานสี่อิทิบาทสี่อินทรี่ห้าพละห้าพ่อชงเจ็ดอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดนี่แหละเป็นไปเพื่อความสิ้นกรัม <c oughs> ถ้าไม่เจริญกุศลประเภทเป็นไปเพื่อสิ้นกรัมถึงเราให้ทานรักษาศีลดีระดับหนึ่งถึงไปสวรรค์นนะ อายุของสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชห้าร้อยปีทิพย์อย่าลืมนะความสุขอย่าคิดว่ายาวนะชีวิตของเรานะที่มีความสุขอยู่ห้าสิบปีกลับไปผ่าตัดเท้ามาไม่กี่ชั่วโมงอะไ น, น, นทุกขก์กันไอ้จำตอนปวดนี้จำได้แม่นที่สุดเลยนะไอ้ตอนนี้มีความสุขจำไม่ค่อยได้เผลอแพบเดียวหมดไปแล้วแต่ความทุกข์ห้านาทีหูมันยาวนานจริงๆเลยเขาบอกว่าราตรีของคนนอนไม่หลับยาวนาน หนทางโยดหนึ่งของคนล้าเนี่ยไกลคนเมื่อยลาเนี่ยโอ้โหโยดหนึ่งนี่ไกลที่สุดเลยแต่ว่าสังสาระแห่งสัตว์ผู้ไม่รู้พระศาสนาธรรมไม่มีที่สิ้นสุดมันยาวกว่านั้นเป็นไม่รู้เท่าไรทุกทรมานมากกว่านั้นมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นทําอย่างไรกุศ ล, ลจิตกุศลในที่นี้หมายถึงกุศลประเภทปริญญาจึงจะเกิดขึ้นเพื่อที่จะวิจัยเรื่องชีวิตต่อไปเพราะถ้าเราไม่วิจัยอย่างนี้ปั๊บนะ ชีวิตของเราก็จะเป็นไปตามกันแต่ในขณะเดียวกันเราก็หมั่นระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยว่าพระพุทธเจ้าเวลาที่สมัยที่พระองค์ยังอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยพระองค์คิดอะไรพระองค์พูดอะไรพระองค์ทําอะไรเราก็จะได้เจริญรอยตามเยี่ยงอย่างของท่านพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีภาษารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นต้นสมัยก่อนท่านทําอะไรอยู่ท่านจึงพ้นจากทุกข์ได้ต่างจากเราไหม เป็นไปได้ไหมที่เราจะคิดสามท่านในฐานะที่เราเอาท่านเหล่านั้นเป็นผู้ทังธรรมังสังขังสารนังคาถามนี้อีกในหนึ่งนะในอภรณกสูตรท่านกล่าวถึงว่าพิจารณาแบบก่อนจะนอนนะนะกายกายนี่มีเป็นใจไหมไม่เป็นใจนะกายที่ไม่เป็นใจเนี่ยนอนอยู่บนเตียงที่ไม่มีใจอืม <c oughs> เตียงที่ไม่มีใจก็อยู่บนพื้นที่ไม่มีใจพื้นที่มีใจก็อยู่บนดินที่ไม่มีใจ ดินที่ไม่มีใจก็อยู่บนน้ำที่ไม่มีใจน้ำที่ไม่มีใจก็อยู่บนลมที่ไม่มีใจลมที่ไม่มีใจก็อยู่บนอากาศที่ไม่มีใจอากาศที่ไม่มีใจก็ไม่รู้ว่ามีลมอยู่ข้างบนลมก็ไม่รู้ว่ามีน้ำอยู่ข้างบนน้ำก็ไม่รู้ว่ามีดินอยู่ข้างบนดินก็ไม่รู้ว่ามีพื้นมีบ้านอยู่ข้างบนบ้านก็ไม่รู้ว่ามีเตียงอยู่ข้างบนเตียงก็ไม่รู้ว่ามีคนหลับอยู่ข้างบนคิดอย่างงี้เรืๆจนหลับนี้ก็เป็นอีกในหนึ่งของผู้ที่ไม่ ประมาดนะเรียกว่าหลับยังมีสติตรึกแบบนี้บ่อยๆหรือตรึกในความเป็นธาตุก็ได้กายนี่คือมหมาปูตรูปสีผมก็ไม่รู้ว่ามันตั้งอยู่บนศีรษะหนังศีรษะหนังศีรษะก็ไม่รู้ว่ามันหุ้มกระโหลกเอาไว้กระโหลกมันก็ไม่รู้ว่าหุ้มมันสมองเอาไว้ตรึกไล่ไปเรื่อยๆภเคีไปกลับไปกลับมาจนมันหลับอะ่ะกุศลจิตก็จะเกิดได้บ่อยขึ้นหรือไม่ก็นึกถึงพระพุทธเจ้าตื่นมาปั๊บพระองค์เป็นพระอรหรันต์ ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองอะนะเอาแต่ละคําแต่ละคําเนี่ยมาคิดอย่างนี้ขึ้นคิดอย่างนี้สักเจ็ดตลบพับ๊บหมูสว่างแป๊บเดียวเองคิดอย่างนี้ไปเรื่อยฝึกเจริญพุทธคุณ บ, บ่อยๆ อ, ยอรหังไม่มีกิเลสเรามีโทสะพระพุทธเจ้าไม่มีโทสะเรามีโลภะพระพุทธเจ้าไม่มีโลภะเราเนี่มองเห็นอวิชชาเกิดเลยพระพุทธเจ้าไม่มีอวิชชาเกิดอย่างนี้ exploding? ตรึกไปลักษณะนี้บ่อยๆพระองค์ตรัสรู้ริยรระสั้นด้วยพระองค์เอง ตรัตมีวิชามีจรณ ะ, สะเสด็จไปดีแล้วรู้แจ้งโลกฝึกสารถีที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าแล้วพระองค์นี้เป็นผู้จําแนกแจกแจงพระธรรมและพระธรรมที่ทรงสแสดงพระสูตรพระวินยัยพระพิธรรมวินัยประกอบไปด้วยคำพีรอะไรบ้างก็คีดตึกไปเรื่อยๆตามพระคำบีต่างๆไงจนถึงอภิธรรมจบอภิธรรมโอ้พระสงค์ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมเหล่านี้ ภาษารีบุตรท่านก็ปฏิบัติตามคำสอนอันนี้พระโมคคลานะท่านก็ทำตามอันนี้ที่ไปเรื่อยๆจนถึงพระสงฆ์มาจนถึงที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ